หน้าใสใสภานาเป็นหน้าไม่เหมือนมนุษย์หรอกมนุษย์หน้าตามันยุ่งใจมันทุกข์เมื่อไรใจมันทุกข์หน้าตาดูไม่ได้ใจเราสว่างไสวหน้าตาสดใสมองปลาร์ดก็รู้แล้วภาวนาเป็นไม่เป็นอย่างก่อนที่พวกเราจะภาวนาจำหน้าตัวเองยุคนั้นได้ไหม กับวันเนี้ยเราไปส่องกระจกเนะหน้าไม่เหมือนเดิมหรอกไม่เหมือนเดิมยังไงแก่กว่าเก่าใมน้าใสใจมใสใจมสว่างเราที่นี่เน้นทำสมาธิกันไนหะสมาธิจำเป็นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์พระพะเุทธเจ้าท่านสอนนะว่า สิ่งที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและมิปัสนาถ้าไม่ได้บอกให้ทําอัะไนหนึน่งถ้าทำมิปัสนารวดไปเลยทําได้ไหมบรรลุมากผลได้ไหมได้แต่ได้แบบลำเค็นแห้งแรงลำเค็นเน็ดเหนื่อยมากถ้าทําสมถารวดไปเลยจะได้มากผลไหมไม่ได้ไม่ได้จะได้มากผลได้ต้องเจริญปัญญาทำมิปัสนาแต่ว่าการที่เราฝึก สมถาก่อนไมันก็คล้ายๆเราเตรียมทรัพยากรเอาไว้เวลาเราจะเดินทางไกลเรามีสมาธิเวลาเราจเจริญปัญญาไปมันเหนื่อยความเหนเราก็ทำความสงบเข้ามาพักผ่อนมีแรงแมีแรงเราก็เดินต่อภ่อนาต่อแต่ถ้าเราไม่มีสมถาเลยน ะ, จะเจริญวิปัสสนารวดไปเลยนะมันเหนื่อยมากเลย คนซึ่งเขาทําสมสถะไม่เป็นนะหน้าสงสารอยู่แต่ดีกว่าคนทำวิปัสนาไม่เป็นนั่หน้าสังเวชเวลาระดับกันนะมันเหมือนเราอยู่ไกลๆอย่างเนี้ยอยู่เชียงใหม่อยู่ลําพูนจะไปกรุงเทพไปได้หลายแบบพวกหนึ่งนั่งรถไฟไปพวกหนึ่งนั่งรถทัวร์ไปพวกหนึ่งนั่งเครื่องบินไปพวกหนึ่งก็งเดินไปถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเหมือนเดินไปไปแบบ ลำเข็นมากคําที่ไหนก็นอนอยู่ข้างถนนตรงนั้นแหละมีเรี่ยวมีแรงก็เดินกระเซาอกระเซิงไปก็ไปถึงนะไม่ใช่ไปไม่ถึงส่วนพวกสบายก็นั่งรถนั่งอะไรไปสมุติทางมันไกลมากวันเดียวไปไม่ถึง จ, จอดกลางทางเข้าโรงแร ม, มาอาบน้ำาอาบท่ามีข้าวกินมีที่นอนสบายเนี่ยประโยชน์ของสมถามอยู่ตรงนี้แหละงั้นทำได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดนะ แต่ถ้าทำได้อย่างเดียวให้ทำวิปั ส, สนาในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนว่าในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์มีพระอรหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยหกสิบองค์คนจะได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าสัตว์นี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนล้างกิเลสได้สามข้อมีหกสิบจากห้าร้อยคนจะได้วิชาสามโตเล่นสมาธิแล้วก็ใน ห้ารอยองค์นี้มีอีกหกสิบองนะได้อภิญญาหกหูทิพตาทิพแสดงฤทธิ์ได้พวกนี้รู้อาราจิตคนอื่นในพวกนี้ในมีหกสิบองพวกนี้ก็ต้องเล่นสมาธิแล้วมีอีกหกสิบองได้อารูปฌปานบรรลุในขณะที่บรรลุเนี้ยได้อารูปฌปานจะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์อุปโตภาควิมุตต์เนี่ยหลุดจากรู ป, ปรธรรมนะด้วยอารูปฌาน ลุดจักนามาทำด้วยวิปัสนาญาณแล้วเข้าฌานนะแล้วไปดูองค์ฌานเกิดดับอยู่ภายในก็วางนะวางรูปไปก่อนแล้วไปเห็นองค์ฌานภายในเกิดดับอยูนะ่ไปตัดสินความรู้กันในอรูปฌานมีหกสิบองค์เงี้นในบรรดาพระอราหันต์ห้าร้อยองค์นะมีพระอราหันต์ที่สมัยโน้นะ่ะที่ท่านเล่นสมาธินะมีไม่มากหรอก สามสิหกปเซ็นตนใจเป็นแบบไหนสนใจเป็นแบบพวกเราสมาธิกับร่องกับแพ่งทําได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างนี่มีอาจารย์สอนให้ทําก็ยังดีนะถ้าไม่มีอาจารย์สอนให้ทําดีไม่ได้เพี้ยนหรอกทาสมาธิแล้วเพี้ยนเพียนเย น, นี่ยเอะแยะไปหมดเล้มันทำผิดมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไปบังคับตัวเองหลักของการทําสมาธิเราจะทําสมาธิได้ดีนะ ใจต้องมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุให้เกิดสมาธิเพราะเราชอบกลับหัวกลับหางเราคิดว่าสมาธิทำให้มีความสุขที่จริงความสุขางหากทำให้มีสมาธิอย่างเรามีความสุขในการเล่นไพ่เราจะมีสมาธิในการเล่นไพ่ตำรวจมายังไม่รู้เลยเราสมาธิมีเอกกับขตานะเออไม่รู้เลยนะถ้ามีความสุขอยู่กับสิ่งใดนะจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งนั้น บางคนเข้าใจผิดว่าทําสมาธิแล้วมีความสุขสมาธิต้นๆอ อ, ออกมีความสุขถ้าสมาธิละเอียดขึ้นไปเป็นอุเบกขาสมาธิที่มีความสุขชั้นหนึ่งสองสามมาถึงชั้นที่สี่ถึงชั้นที่แปดเป็นอุเบกขาแล้วงั้นไม่ใช่ว่าทําสมาธิแล้วมีความสุขนะที่จริงอ่ะถ้าเราอยู่กับอารมณ์อะไรที่มีความสุขเราจะได้สมาธิ้เราต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นเราต้องดูว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหน แล้วมีความสุขแต่ว่าอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะอย่างด่าควรแล้วมีความสุขเนี้ยนะอย่างนี้นไม่มีสมาธิที่ดีหรอกมีเหมือนกันสมาธิจดจ่อในการดา่าสมาธิเ น, นี่ยเกิดกจากจิตที่เป็นอกุศลก็ได้เกิดจากจิตที่เป็นกุศลก็ได้ไม่เหมือนสติสติเกิดกจากจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวปัญญาเนี้ยเกิดจากจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวและสมาธิเนี้ยเราต้องรู้จักเลือกทาสมาธิต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส อย่างเราอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจไม่ยั่ว ก, กิเลสพุทธโธไปหายใจไปถ้าใจมีความสุขอยู่กับพุทธโธมันก็สงบใจมีความสุขอยู่การหายใจมันสงบนี่ส่วนใหญ่จะไปบังคับตัวเองนะเคล็ดลับในการทําสมาธิที่ดีไหนๆก็สอนในสํานักสมาธินะพ่อจะพูดเรื่องสมาธิเยอะหน่อยนะเคล็ดลับมันอยู่ที่การวางใจให้ถูกนะถ้าคิดจะบังคับตัวเองให้สงบแล้วก็จะไม่สงบหรอก เหมือนเวลาเราจะนอนเราคิดจะบังคับตัวเองให้หลับไม่หลับหรอกนอนเล่นๆไม่ตั้งใจจะหลับก็หลับเมื <Yeah. S 1> ่อไรมสบายใจนอนหลับแต่ทาสมาธิคล้ายๆกันไม่ต้องสบายใจสบายใจแป๊บเดียวก็หลับแล้วแล้วก็เพราะงั้นเราจะต้องรู้จักเลือกนะวราจิตเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนมีความสุขเราก็อยู่อารมณ์อย่างนั้นไปสมาธิมีสองชนิดใละสมาธิมีสองอัน สมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์เนี่อยู่ข้างนอกก็ได้เวลาเรารู้ลมหายใจเดี๋ยวพวกเรารู้ลมหายใจสังเกตให้เดี๋ยจิตจะเคลื่อนไปที่ลมหายใจถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วจิตสงบนะเนี่ยสมาธิออกนอกเรียกว่าอารัมมณูฟณิชานเพ่งอารมณ์จิตสงบอยู่ในอาร ม, มณ์เดียวได้แต่สมถะนะจิตที่เคลื่อนออกไปทํำวิปัสสนาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ เราต้องมาฝึกสมาธิเป็นที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้สมาธิอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ค่อยมีนะหลังๆหลว ง, ง, งพ่อสอนตอนนี้มีทั่วๆไปแล้วมีคนเอาไปสอนต่อกันเยอะแยะเมื่อสักสามสิบปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนไว้กลุ่มหนึ่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้เงี้ยพาไปกราบครูบาอาจารย์นะวางองค์จิตท่านไวนะหวแล้วหันกลับเลยถ้านอุทานนะไปรวมมาได้ยังไงตั้งสิบคน สิบคนเยอะแล้วนะที่จิตตั้งมั่นนะเพราะแต่ก่อนนะวัดหนึ่งหาสักองหนึ่งหรือคนหนึ่งยังยากเลยมันยากมากเลยที่จะมีสมาธิที่จิตตั้งมัน mm ่น hmm. ส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาธิที่จิตเคลื่อนออกไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างเรารู้พุโทโธจิตก็ไปสงบอยู่กับพุโทโธเรารู้ลมหายใจจิตไปสงบอยู่กับลมหายใจมันนิ่งไม่ได้อะไรได้แต่ความสุขความสงบเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างนี้ก็ดีเอาไว้พักผ่อน นี่เราจะเดินปัญญาได้เนียจะทำวิปัสนาได้เราใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บักบา น, นแยกได้สามระดับคณิกาสมาธินะประจารสมาธิอัปนนาสมาธิจิตถึงฐานตั้งมั่นที่หลวงพรอใช้เขาว่าจิตถึงฐานในจิตมันเป็นถอนตัวออกมาจากรูปธรรมนามธรรมานะแล้วมันมาเป็นคุณดูมันจะสามารถดูรูปธรรม ท, ทำงานดูนามธรรมา ท, ำทำงานได้จิ้ตถอนตัวออกมา ถ้าเราไม่มีจิตที่ถอนตัวเป็นคนดูนะเวลาไปรู้รูรปธรรมเช่นรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องฟองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าสมาธ่อย่างนี้เอาไปเดินวิปัสสนาไม่ได้เอาไว้พักผ่อนนอนเล่นได้ไเวลาต้องฝึกสมาธิที่ดีทํายังไงสมาธิที่จิตตั้งมั่นจะเกิดสมาธิที่จิตตั้งมั่นเกิดเนี่ยโดยไม่ได้สั่งให้เกิดนะถ้าสั่งให้เกิดมันไม่เกิดหรอก มันเกิดจากการที่เรามีสติเนะียรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ความอัศจรรย์อในตรงนี้นะรู้ที่ผิดแล้วจะถูกเองให้รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วไม่จะถูกเองแต่จิตมีราคารู้ว่ามีราคาเนี่ยจิตมีราคาไม่ดีแต่ให้รู้มันไม่ใช่ว่าจะต้องดีโดยจะไม่ได้เริ่มจากทําให้ดีขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ให้เรียนรู้สิ่งที่ผิดไปสมาธิที่ถูกเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสมาธิ สงบเฉยๆเนี่ยจิตไหลออกไปอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลยนะคือจิตฟุ้งจับอารมณ์นู่นจับอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆเป็นสมาธิอย่างโลกๆใช้ไม่ได้สมาธิเขไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้แลง้นเราเรียนสมาธิต้องเรียนให้ได้รอบด้านนะมันแยกสองกลุ่มใหญ่ๆสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติมิจฉาสมาธิไม่มีสติเช่นนั่งแล้วเคลอบเคล้ม นั่งเราเห็นโน้นเห็นนี่ไปนะลืมกายลืมใจตัวเองสมาธิอันนั้นเป็นวิชาสมาธินี้สมาธิที่เป็นสมาสมาธิมีสตินี่มีสองพวกนะพวกหนึ่งเนี่ยสติไปจดจ้องอยู่ในอารมณ์มเดียวโดยไม่ได้บังคับมันแค่น้อมใจไประลึกถึงอารมณ์นั้นอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆเนี่ยเียนกับท่านเ่อลีวัสุกรามท่านสอนให้หายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกทู นับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองเนี่ยท่านสอนในนี้มาทําฝึกไปได้่นะจิตมันก็ไปสงบอยู่กับลมหายใจถ้าจิตจะอยู่กับลมหายใจลมจะค่อยๆตื้นขึ้นนะลมจะกกตื้นพวกเราทําได้ใช่ไหมตื้นๆๆที่สุดลมมันมาอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยเปลี่ยนสภาพลมมันหยุดปเป็นแสงพอลมเป็นแสงสว่างแล้วคราวเนี้ยเราจะเล่นอะไรอยากรู้อยากเห็นอะไรนะใช้แสงเนี่ยเหมือนสปอตไลท์เลย อยากไปดูสวรรค์อยากไปดูอะไรหลวงพ่อไม่เป็นนรกเรื่องอะไรเราต้องรับอกุศลเราก็ไปดูของสวยๆไปดูสวรรค์ส่งจิตไปสายแสงเนี่ไปแสงไปถึงไหนจิตก็ไปถึงนั่นแหละมันตามออกไปเล่นอย่างนั้นอยู่พักหนึ่งนะแล้ววันหนึ่งมันก็เฉลียวใจวามาี่อย่างนี้เอาไว้ดูเทวดาไปดูอะไรสวยๆงามๆ ม, มันได้อะไรขึ้นมามันไปดูสมบัติคนอื่นมันไม่ใช่สมบัติเรา เห็นเทวดามีของกินอร่อยเราก็กินด้วยไม่ได้นะเห็นเขามีปราศาสตรสวยมีบ้านสวยเราก็อยู่ก่บเขาไม่ได้เขามีเครื่องแต่งตัวสวยๆเราก็เอามาใช้ไม่ได้ดูไปดูมาเห็นจะได้เรื่องอะไรแล้วค่อยๆสังเกตเนี่ยจิตมันตามแสงออกไปเอาใหม่ต่อไปนี้ไม่เอาแล้วพอหายใจไปจนกระทั่งหยุดลมมันหยุดนะกลายเป็นแสงแล้วรู้ทันจิตไม่ตามออกไปนะถ้าจิตจะไหลออกไปรู้ทันว่าจิตจะไหล จิตจะไหลแล้ว ร, รู้ทันว่าจิตจะไหลเนี่ยเล่นอย่างนี้นะสุดท้ายก็คือจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาก็จิตมันกเข้าสมาธิเป็นลําดับลําดับไปเขาหัดเล่นไปเรื่อยคิดว่าเข้าสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีปัญญาครูบาอาจารย์ไม่มีแล้วท่านพอลีปีศูนย์หกก็สิ้นไปแล้วหลวงพ่อเพิ่งเรียนกับท่านได้สองปี นานๆได้ไปเรียนทีหนึ่งเราเด็กนะไปไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่พาไปเราก็ไปไม่ได้ไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อโตขึ้นมาเขาไปอ่านหนังสือเ อ, า, นนอาอ่านหนังสือคนบ้างอ่านภาะไตปิฎกอ่านแล้วก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็นั่งแต่สมาธิอยู่งั่นแหละทําความสงบไปจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ว่าตั้งทรงตัวอย่างเงี้ยเรอทั่งจิตมันเป็นผู้รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนนะสมาธิมันดีทรงตัวเด่นดวงอยู่นั่น หวังว่าวันหนึ่งจะได้มรรคผลมันไม่ได้สดักทีเกิดทั้งปีสองห้าสองพัน้รยี่ห้าพวกเราคนไหนเกิดแล้วยกมือชิมีไหมสองห้าใครยังไม่เกิดตรงนี้ดีกว่ายังมีมีคนสองคนนอกนั้นอาวุโสพอสมควรนะเกิดย5้าแล้วตอปีสองห้านั้นไปหาหลวงปู่ดุลไปหาหลวงปู่ดุลเท่านก็สอน ให้เจริญปัญญาการรู้ฐานจิตที่มันเคลื่อนออกไปแต่เดิมแล้วไม่ให้มันเคลื่อนรักษาไว้ที่ท่านสอนบอกว่าให้ไปดูจิตอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองได้ยินว่าท่านให้อ่านจิตนะก็ไปรักษาจิตไว้อีกหละแต่เดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะจิตทรงตัวเด่นดวงอยู่กับจิตนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันคือจิตไม่ไม่มีชื่อนะ่ะไม่มีใครบอกอนะก็รู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะั่นนะ นี่พ่อหลวงปู่ดูลยบอกให้ดูจิตเนี่จิตอยู่ไหนจิตต้องอยู่ในกายไล่อยู่ในกายเลยนะสติไล่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนื้อไล่ขึ้นไล่ลงแล้วจิตอยู่ที่ไหนจิตไม่ได้อยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่ฟันที่กระดูกอะไรไม่มีเลยแล้วจิตอยู่ในร่างกายแต่จิตไม่ใช่ร่างกายทําไงเราจะเห็นจิตอีกหรือว่าจิตอยู่กับเวทนาดูลงไปทําสมาธิไม่มีความสุข ความมนมีความสุขนะแล้วก็รู้อยู่ที่ความสุขนะความสุขก็ดับความสุขค่อยๆดับดับดับดับไปนะหายไปไม่เห็นจิตเลยไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยหรือว่าจิตอยู่กับความทุกข์นั่งไม่ยอมกระดิกเลยคราวนี้นั่งให้มันปวดเลยนะปวดมากเลยนั่งแล้วก็ดูลงไปในความปวดนั่งนานๆานมันชานะหายปวดไม่เห็นจิตหรือว่าจิตอยู่ในความชิดที่อย่างนี้นะ จีตอยในความคิดก็จงใจคิดบทสวดมนต์นนะพุทโธสูตสุทโธกรุณามหันต โ, โบคิดบทสวดมนต์พอเราคิดบทสวดมนต์เนี่ยใจมันเป็นคนดูขึ้นมามันรู้ทันจิต ท, ที่คิดอ่ะทันทีที่รู้ทันจิต ท, ที่คิดจิตรู้ว่าเกิดพอจิตรู้เกิดปุ๊บขึ้นมาให้ย hey, นี่ตัวเก่าอ่ะตัวที่นั่งสมาธิมาแต่เด็กเออไตัวนี้แหละอ่ะโอ้หลวงปู่ดูลให้ดูตัวนี้ เดิมเราไม่รู้จะดูตัวไหนเราไม่ได้ดูเลยรู้สึกตัวอยู่เฉยๆเข้ามาจ้องอยู่ที่ตัวจิตเขาเคลื่อนนั้นก็รักษาไว้นะไปจับอารมณ์ก็หาทางแก้กลับเข้ามาเนี่ยคืออยู่สามเดือนเนี่ยได้สมาธิแล้วใจเป็นผู้รู้แล้วแต่มันไม่เดินปัญญา จ, จริงเพราะมันอยู่กับผู้รู้เฉยๆเพราะงั้นกระทั่งเราได้สมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้แล้วนะปัญญายังไม่เกิดเลยเราต้องโน้มน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อยานทัศนะในพระไตรปิฎกก็ใช้คํานี้เลย นะพอจิตอ่อนจิตเบาจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานแล้วเนี่ยโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเพรไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆฉยนี่ตัวนั้นหลวงพ่อพอไปตัวปู่บอกให้ดูจิตแล้วไปดูผู้รู้เขาได้รักษาผู้รู้ไว้ดูอย่างเนี้สามเดือนก็ขึ้นไปหาหลวงปู่หลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตเป็นไงโอ้จิตมันทางานได้ต่างๆนานานะพอรู้ทันมันเป็นตัวรู้อยู่นี่ดูอยู่อย่างนี้ผิดแล้ว แล้วอันนี้แทรกแซงจิตแทรกแซงอาการของจิตจิตนั้นมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปแทรกแซงไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งให้มันรู้ตัวอยู่เฉยๆนี่ผิดนะไปดูใหม่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะสอนคำสองคานั้นเราต้องไปคลําเอาเองถ้าเราขี้เกียจที่คลานทอแท้ไม่ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรดีๆขึ้นมาหรอกให้หลวงปู่ว่าไปแทรกแซงจิตเราไปนนี้จะไม่แทรกแซงแล้ว จิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนันเนี่ยเพราะงั้นได้จิตที่รู้ที่ถูกนะยังใช้ไม่ได้เลยนะจิตรู้ที่ถูกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ า, บานแะล้วถ้าไม่เดินปัญญาไม่เดินปัญญาก็คือรู้ตัวอยู่เฉยๆตายแล้วไปไหนก็ไปพรหมวนโลกแล้วก็เป็นพรหมที่จิตตั้งมั่นก็ดีกว่าพรหมที่จิตไหลไป น, นิ่งอยู่ที่อื่นอะไร้ะแต่ว่ามันก็ไม่นิพพานเหมือนกันเพระเราต้องมาเดินปัญญาต่อ แล้วเราฝึกนะฝึกวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือรู้ทันจิตที่มันไหลไปจิตไหลไปดูจิตไหลไปฟังจิตไหลไปดมกลิ่นจิตไหลไหลไปริมรถจิตจิตไหลไปรู้สัมผัสทางกายนะจิตไหลไปคิดนึกทางใจ6กช่อง6กช่องเนี้ยอันไหนเกิดบ่อยที่สุดทางใจคิดไหมคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย งัถ้าถ้าจะในหกช่องดูทั้งหกช่องดูยากคอยรู้ทันจิตจิ่คิดไว้มันเป็นจิตหลงที่เกิดบ่อยที่สุดจิตไหลจิตฟุ้งซ่านที่เกิดบ่อยที่สุดเล่นก็เล่นในของที่สําคัญไปเลยนะไม่ต้องเล่นจิกจิกก๊อกก๊อกนะไม่ใช่ไปดูจิตที่ไปรู้รสวันหนึ่งไม่ได้กินอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมน้ําลายมีรสไหมมีแต่ว่าเราชินเราไม่รู้สึกถ้าไปกินของอื่นหนึ่งจะรู้สึก นี่นมันรู้ไม่ได้แต่ใจนี่นมันคิดไหลชึบชึบชบทั้งวันนะค่อยรู้ไว้เราจะรู้ได้ดีต้องทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งจะอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่ลมหายใจก็ได้พวกเราเป็นนักหายใจะไม่ได้ไม่ได้ชาญจากอานานะตูตาก็รู้นะ <laughs> ถ้าเล่นอานานะตามันจะไม่เหมือนมนุษย์ ตาจะเป็นอมนุษย์ตาจะพิเศษเลยนะตาอย่างแก้วเลยถ้าเล่นอาณานะถ้ากรรมฐานอื่นก็ไปอีกแบบหนึ่งไม่ต้องใช้พลังจิตไปดูหรอกดูหน้าก็เห็นละตามันจะใสกว่าคนปกติถ้าเล่นลมนะลมมันจะฟอกจะใสทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทำเพื่อสงบ ทำกรรมฐานเพื่อสงบเราเอาไว้พักผ่อนต่อไปนี้ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันเวลาหายใจเนี่ยจิตจะไหลไปได้สองแบบอันที่หนึ่งไหลไปคิดอันที่สองไหลไปเพ่งลมหายใจรู้จักจิตเพ่งลมหายใจไหมเอาลองเพ่งลมหายใจทุกคนให้จิตจับอยู่ที่ลมนะ จักจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะออกมาถอยออกมาลืมตายิ้มหวานหวานใส่หน้านิดหน่อยวันนี้ไม่ทํานะไม่ยอมทําบางคนก็นั่งคิดเอาบางคนไม่ยอมทําำคนใหญ่ทํำพอทําสังเกตจิตจ ต, ตะกี้จําได้ไหมจิตมันจะนิ่งนิ่งทื่อๆนะอันนั้นแหละจิตมันเคลื่อนไปเพ่งเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจนะจิตจะทื่อๆเอาใหม่ต่อไปนี้เห็นร่างกายหายใจ ใจเราเป็นแค่คนดูนะเห็นร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันหายใจรู้มันสบายๆเห็นให้ตัวเนี้ยหายใจอย่างสบายๆลองดูสิเอาพอแล้วมันชินจะเพ่งสัง เ, เกตไหมตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ยังไม่เพ่งหายใจมันจะโล่งแสงสว่างโลง่งว่างนะแต่พวกเราชินการเพ่งนะติดสมถานะติดสมถะจานวนมากเลยขนาดให้รู้ร่างกาย หายใจนะไปมาเพ่งมันทั้งตัวเลยเนี่ยพอเพ่งแล้วจิตมัวจาค้างอยู่อย่างเงี้ยค่อยๆลดการเพ่งลงถ้าจิตไปเพ่งไปจ้องนะให้รู้ทันนะค่อยๆ ค, คลายออกถ้ายางเพ่งอยู่ทำวิปัสสนาไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้หายใจเห็นร่างกายมันหายใจให้หลักที่พระเจ้าสอนนะดูกราภิกสูทั้งหลายให้เธอคูบันหลัง ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าอันนี้ได้ยินบ่อยใช่ไหมหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวได้ยินใช่ไหมหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวได้ยินแต่ทาให้เป็นหรอกท่านไม่ได้บอกให้ไปรู้ลมหายใจนะพระสู่ทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใจหายใจออกยาวร่างกายหายใจออกยาวเห็นได้ตัวนี้หายใจออกเห็นได้ตัวนี้หายใจเข้าใจเป็นคนเห็น จิตเป็นคนเห็นจิตเป็นคนดูอยู่เห็นตัวนี้หายใจจิตเป็นคนดูอยู่หัดดูนะค่อยๆหัดไปจิตเพ่งมากไปนิดนึงถ้าเพ่งแล้มจะทื่อๆทีถ้าเพ่งเก่งๆโลกก็าตดับไปเลยแต่ที่พวกเราเพ่งส่วนใหญ่เพ่งรูปเพ่งรูปบาทีโลกไม่ดับแต่ว่าใจมันจะนิ่งๆถ้าอุเบกขาได้แต่ยังมีร่างกายถ้าไปเพ่งนามเนี่ร่างกายจะหายไป เราไม่ได้มุ่งเอาเพลงนะเรามม่งฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตเคลื่อนยังจิตเคลื่อนเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปสังเกตสังเกตอะไรสังเกตว่าจะดูอะไรดีนะแต่เว่ยะไหลออกไปคอยรู้ทันจิตที่ไหลแะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลนะเราจะได้สมาธิชนิดที่สองสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานหลวง่อทาได้ตั้งแต่เป็นโยมนะ หลพ่ตึกใจตั้งบ้านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเนะ่ยครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเคยได้ยินชื่อไหมอยู่ทางนี้ไม่เคยได้ยินชื่อท่านก็แย่มากแล้วนะท่านอยู่เชียงใหม่นี่หลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่าไม่รู้จักชื่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้ในี่ยสอนอย่างนี้อะไรเป็นผู้รู้คนก็สงสัยว่ารู้อะไรผู้รู้ตัวไง รู้ตัวรู้ตัวเนี่ยจะไม่สุดตกไปสองข้างข้างหนึ่งหลงไปคิดข้างหนึ่งเพ่งเอาไว้พวกเราดูออกไหมเวลาหลงไปคิดดูออกขยังเวลาเพ่งถ้าดูไม่ออกว่าเพ่งไปไงก็จงใจเพ่งลองเพ่งลมหายใจใหม่ลองดูฝึกให้ชํานาญดูออกอยังว่าเวลาเพ่งนะจิต ม, มันเคลื่อนไปจิไม่เคลื่อนไปจ้องใส่ลมนะ เอาถอยขึ้นมาช่องนี้จะไม่เดินนะช่องนี้จะไม่เดินต่อไปถ้าเดินต่อไปก็จะได้แต่สมถะสงบเฉยๆสงบแบบที่เรียกว่าอารามันนุปนิชานสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอะไรเป็นอารมณ์ก็ลมหายใจส่วนสมาธิตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ได้ให้จิตไปสงบในอารมณ์เดียวนะแต่เป็นจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงไม่ไหลไปไม่ฟุ้งซ่านไปจิตจะตั้งมั่นได้เราต้องรู้ทันจิตที่เคลื่อน จิตที่เคลื่อนคือจิตที่ฟุ้งซ่านหรือจิตที่มีกิเลสชื่อว่าอุทธัจจะเป็นกิเลสตระกูลโมหะจิที่ไหลไปเนี้ยทันทีที่สติเกิด น, นะกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะะเราอาศัยสตินี่แหละรู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนอีกรู้อีกเคลื่อนอีกรู้อีกไม่ห้ามเคลื่อนถ้าห้ามเคลื่อนเมื่อไหร่จิตจะแน่นจิต ท, ที่แน่นเป็นอกุศลจิตลักษณะของจิต ท, ที่เป็นกุศลจะต้องเบา อ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ถ้าหนักแน่นแข็งซึมทื่อแล้วก็เป็นอกษษษษษษุศลจิตเกิดจากโลภะอยากปฏิบัติไว้จ้องมันนะ จ, จ้องไปจ้องมาไม่ยอมสงบสักทีเิ่มจ้องแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วแน่นไปเลยคือดักจิตมีโทสะไม่มีความสุขอาศัยสติรู้ทานจิตที่เคลื่อนไปต้องซ้อมนะทุกวันต้องซ้อม ทำสมาธิอย่างที่อาจารย์สอนนั่นแหละก็ใช้ได้แล้วก็ต่อยอดไปคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้จักคุณแม่จันดีไหมเคยได้ยินชื่อไหมเออแม่จันดีหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมท่านท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านท่านก็ถามท่านอาจารย์ภาวนาอ ย, ย่างไงทําไมจิตมาลงที่เดียวกันบอกว่าจะมาหายใจ กลายเป็นแสงแล้วนะจิตเคลื <Everyday. S 2> いい่อนเรารู so indoors, ้จ anyway? right. ิตเคลื ITE ่อนเรารู <delays theory> ้ท <it> <rzy> ่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธท่าพุทโธแล้วกาหนดจิตไว้ตรงนี้เองพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เคล็ดอยู่ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละถ้าจิตเคลื่อนเรารู้เมื่อไหร่นะจิตจะไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับทุกวันต้องซ้อมนะเดยนทางจิตกระดิกกลิ้งก็เห็นมันตั้งขึ้นโดยที่ไม่ต้องรักษา พอมันกลับมาแล้วอย่ารักษาไว้ถ้ารักษาไว้มันจะแน่นจะแน่นแน่นๆ น, น, นะใช้ไม่ได้จิตที่แน่นๆผิดแล้วจิตที่เป็นกุศลจะต้องมีลัหุตาต้องเบาต้องมีมุทุตานุ่มนวลถ้าแน่นถ้าแข็งเนี้ยอากุศลจิตวเวล า, าศัยการที่รู้มันเคลื่อนคลิกรู้ทันคลิกรู้ทันจิตจะตั้งมันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญานะอันนี้ถึงขั้นเดินปัญญาล้มีเวลาไหมสอนสมาธิเยอะหน่อยนะเพราะว่าพวกเรานั่งสมาธิ เวลาเดินปัญญาเนี่ยก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามถ้าไม่เรียนเรื่องรูปธรรมนามธรรมว่ารูปธรรมนา ม, รมนะะารปปธรมมรมแสดงไตร ล, ลักษณ์แล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การรู้รูปนามนะกรรมฐานคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนาจําไว้นะต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยง เราไม่เที่ยงเป็นไงความไม่เที่ยงก็คือของที่เคยมีมันไม่มีเป็นทุกข์เป็นยังไงทุกข์ก็คือของที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบคั้นเพื่อให้ไม่มีให้สลายไปเป็นอนัตตาเป็นไงของทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีเราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาถ้าเห็นอันใดอันหนึ่งในไตรลักษณ์เนี่ยรูปนามเห็นรูปปธรรมแสดงอันใดหนึ่งก็ใช้ได้ละเห็นนามธรรมาแสดงอันใดหนึ่งก็ใช้ได้ละ ไตรลักษณ์เนี่ยไม่มีใครเรียนทั้งสามันไม่ต้องเรียนสามอันเวลาฟาดฟันกับกิเลส จ, จริงเอาชนะกิเลสเวลาจะเกิดมากเกิดผลจริง เ, เห็นมุมเดียวเห็นด้านเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่เห็นสามด้านไม่ใช่เห็นทั้งอนนิจจังทุกข์ขานนะแต่ไม่จําเป็นเลยเห็นด้านเดียวก็ปล่อยละบางคนปล่อยวางเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยง<ส>วางแล้วมันไม่ใช่ของดีบางคนปล่อยเพราะเห็นว่ามันถูกบีบคั้นแค่นี้ก็ปล่อยแล้วมันถูกของถูกบีบขั้นไม่ใช่ของดี คนปล่อยเพราะเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับไม่ใช่ของเราเนี่ยืนเขาไปดีกว่าทิ้งไปเลยนะนี่เห็นอนัตตาพวกที่มีศรัทธามีวิริยะอะไรเนี่ยต้องอาศัยเวลาจิตมีสตัดนะใหญ่ใหญ่จะไปเห็นอนิจจังเดินพวกที่ทรงฉันพวกเราทำสมาธิเยอะๆเนี่ ย, ยเวลาจะตัดนะเกิดมากจะเห็นตัวทุกข์เห็นจิตนี้เป็นตัวทุกข์นะแต่ถ้าพวกที่เขาเดินปัญญาปัญญานำ ปัญญาเป็นหลักเนะี่ยเขาจะเห็นอนัตตาแตพวกเราอยู่ในสํานักสมาธิเนี่ยเวลาเกิดมรรคผลนะ่ยควรจะเห็นทุกข์น่าจะเห็นทุกข์โดยเฉพาะขั้นสุดท้ายนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่ผ่านเพราะอะไรจิตที่ทรงสมาธิมีความสุขมากรู้สึกไหมจิตเวลาได้สมาธิมีความสุขไหมเออมันติดนะเพราะมันสุขมันไม่ปล่อยหรอกตอนวันใดสติปัญญาแก่กล้านะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์มันถึงจะปล่อยเพราะงั้นจะหลุดได้การเห็นทุกข์ งั้นแต่ละคนเนี่ยหลุดด้วยมุมใดมุมหนึ่งเท่านั้นเองเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกนะจิตเขาจะเลือกเองเรามีหน้าที่รู้สภาวะที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตานี่แหละถนัดรู้รูปก็รู้รูปเป็นหลักถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาเป็นหลักถนัดรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศ ล, ลก็รู้จิตเป็นหลักถนัดอะไรก็เอาอันอ น, น, อนั้นแหละเป็นหลักเพราะเราถนัดอะไรถนัดใจหรือถนัดใจหรือถนัดนอนถนัดอะไร ถนัดรู้กายแลือถนัดรู้ใจนะรู้อะไรนะรู้กายถูกละทําสมาธิมากๆก็ต้องดูกายนะถ้าดูจิตยากเนื่องจากจิตจะสว่างว่างไม่ค่อยมีอะไรให้ดูหรอกวันวันวนึน่งโล่งๆโล่งๆอยจะไปดูอะไรดูโอ้จิตนี้เที่ยงหนอเพราะว่าคงที่อยูอย่อย่างนี้สว่างอยู่อนทั้งวันดูอย่างเงี้ยอยู่ได้หลายวันนะจิตที่ทรงสมาธิอ ย, อยู่อยู่ได้นาน โอ้สุกหนอแทนที่เห็นทุกข์นะกลายเป็นจิตสุกซิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเข้าไปอยู่กับสมาธิลึกนะออกมาให้ดูกายจาเป็นหลักเลยนะดูกายหรือเวทนานะดูเวทนาก็ได้เห็นกายแล้วเวทนาแทรกอยู่ในกายรู้สึกไหมความปวดความเมื่อยมันไม่ใช่กายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในกายเนี่ยถ้าพวกดูเวทนานะก็ดูไม่ใช่เพื่อให้เวทนาหายนะดูกายก็ไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายหาย ดูเวทนาก็ไม่ใช่ให้เวทนาหายดูจิตที่ไม่ใช่ให้จิตหายนะแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ก็บังคับไม่ได้มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปสั่งไม่ได้หรือจะดูจิตจีตจะเป็นกุศลหรืออกุศลเลือกไม่ได้แล้วจะเป็นกุศลก็อยู่แป๊บเดียวจะเป็นอกุศลก็อยู่ทีเราแปบบ๊แบแปบเหมือนกันเกิดดับตลอดไม่เที่ยง งั้นเราถนาัดดูกายถ้าเราทําสมาธินะออกจากสมาธิ ok, แล้วมาดูกายหรือเวทนาแต่ถ้าเราไม่ได้ทรงสมาธิอยู่จิตเรากระชอกไปกระชอกมาให้ดูจิตอย่าไปดูกายดูกายยากเพราะจิตจะกระชอกไปกระชอกมานะไปดูกายจะเพ่งกายมันจะดูกายไม่ได้มันจะเพ่งกายเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีกําลังพอการดูกายต้องใช้กําลังของจิตงั้นอย่างครูบาอาจารย์สายโลกุมันน่ะท่านทําสมาธิมากพอทําทสมาธิแล้ว กรรมฐานที่จะมาเดินปัญญาคือกายท่านเลยสรุปกันบอกกายเป็นสนบับรบเพราะอะไรเพราะท่านเดินในสิ่งที่เรียกว่าสมถะยานิกคือเดินด้วยสมาธินำแช่สมาธิพ้าสมาธิออกจากสมาธิจิตสงบว่างไม่มีอะไรให้ดูเนี่ ย, ด, ยดูกายดูกายดูยังไงดูบางท่านก็บอกว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้คิดเอาเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะให้คิดเอาตรงที่คิดเอายังไม่ใช่วิปัสสนานะ ตรงที่ไปคิดพิจารณาร่างกายนั้นเป็นอุบายของท่านเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งติดเฉยเวลาเราเข้าสมาธิลึกๆแล้วออกมาแล้วมันติดนิ่งออกมานึกออกไหมเข้าก่อนออกมาแล้วอย่าติดอย่างนี้นะดูอะไรก็เฉยๆไปหมดเลยนะใจมันไม่เดินปัญญาท่านเลยให้คิดพิจารณากายเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดนิ่งเนี่พอจิตมันทํางานได้แล้วนะอย่าไปคิดเอา ให้ดูเอาวิปัสนาไม่ใช่แปลว่าคิดคิดนี่เรียกว่าวิตกวิปัสนาว่าเห็นนาปะปัสนาว่าการเห็นเห็นร่างกายแสดงใจ ร, รักร่างกายแสดงใจ ร, รักตัวไหนได้เด่นแสดงความไม่เที่ยงเด่นหมอือหรือแสดงทุกข์ขังเด่นแสดงทุกข์ได้เด่นร่างกายเนี่ยดูความไม่เที่ยงยากกว่าจิต น, นะจิตดูความไม่เที่ยงง่ายเพราะเปลี่ยนตลอดเวลาร่างกายไม่ค่อยเปลี่ยนสองกระจก แล้วห้านาทีมาสองใหม่ก็ยังเหมือนเก่าดูยากแต่ว่ามันมีทุกนั่งอยู่แล้วทุกไหมนั่งอยู่ก็ทุกนะขยับไปก็หายทุกเดี๋ยวก็ทุกใหม่อีกแล้วงั้นถูกายดูทุกเข้าไปเลยอย่ไปคิดเรื่องปฏิกูลยสุภานะไม่ใช่วิปัสนาตองอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอา น, นิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะวิปัสนาถ้าคิดเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนาตาัตตก็ไม่ใช่วิปัสนา ตรงที่คิดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นปัญญาที่เรียกว่าสัมมาสนญญายังไม่ขึ้นมีปรัชนามีปรัชนาเรียกอุทธยปยญาณขึ้นไปเห็นเกิดดับงั้นพอใจเราถอยออกจากสมาธิแล้วดู ก, กายเห็นกายกับใจนี่แยกออกจากกันในห้องเนี่ยทาได้สอนลูกสิทธิ์ได้ดีอาจารย์สองคนเนี่ยลูกสิทธิ์กายกับใจแยกออกจากกันได้ถ้าแยกไม่ออกอ่ะภานามไม่ได้หรอก จเจริญวิปัสนาไม่ได้จริงหรอกรู้จักหลวงตาไหมหลวงตามหาบัวหลวงตาฟันทงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแย ก, แยกขันธ์ไม่เป็นเดี๋ยวมาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาหลวตาไม่ใช่คําว่าวิปัสนานั่นใช่คําว่าปัญญาถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าจเจริญปัญญาแยกธาตุแย ก, แยกขันธ์คือจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูแล้ว เ, เห็นร่างกายเอย่ยวขณะนี้ร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูค่อยๆหัดแยกไป ร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูพยักหน้าสิน่างกายพยักหน้าจิตเป็นคนดูดูด้วยอะไรดูด้วยความรู้สึกนะไม่ต้องดูด้วยตาหลับตาสิแล้วขยับขยับมือตัวเองนะขยับมือขยับมือรู้สึกไหมมือมันขยับนี่เรารู้สึกเอาเวลารู้สึกในกายนะเนี่ยใจมันเป็นคนรู้สึกเราลืมตาได้เดี๋ยวจะหลับเนี่ยเห็น ไ, ไหมซึมไปละรู้สึกปล่าเนี่ยโมหะแทกเลยพอหลับตาปุ๊บนะี พอออกมาก็อย่างนี้ออกมานะครูอาจารย์ไม่ได้สอนหลับตานะลองฟังประโยชน์นี้มีไหมคําว่าหลับตาดูกราพิสูทั้งหลายให้เธอครูบันลังตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกอยากมีไหหลับตาพวกเราแหละไปดูหนังจักจักรวงๆเยอะไปือสีไม่ต้องนั่งนี่นะเนื้อแช่หลับตา ลืมตายังไม่ค่อยจะเห็นเลยนะหลับตาเดี๋ยวก็หลับจริงๆนะลืมตาไว้รู้สึกตัวไว้พระพุทธรูปมีพระหลับตาไหมขนาดพระนอนยังลืมตาเนาะลืมตาหมายถึงสัญลักษณ์ของความรู้สึกตัวะมีความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเห็นไหมร่างกายเป็นคนหายใจใจเป็นคนดูร่างกายเป็นคนนั่งใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนอนใจเป็นคนดูเนี่ยค่อยๆหัดแยกแยกไปนะ เห็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูสรุปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแล้วจะเห็นอะไรไม่ใช่เห็นร่างกายจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นทําไมมันต้องเคลื่อนไหวมันหนีทุกข์นะนั่งมากๆมันทุกข์ต้องขยับสินอนนานๆก็ทุกข์นอนแล้วทุกข์ไหมสมมติไปซื้อที่นอนมาอันละแสนแต่ว่าวนอนสบายคลิกไหมทําไมต้องคลิกซ้ายคลิ ก, กว่าเพราะมันทุกข์ ร่างกายนะมันจะมีความทุกข์ประกาศความจริงอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาเลยหายใจก็ทุกข์นะทําไมต้องหายใจออกหายใจเข้าเพื่อหนีทุกข์เราหายใจเข้าไปให้ยาวที่สุดในโลกเลยเอาทุกข์ไหมแค่เดียวก็ทุกข์แล้วทําไมต้องหายใจออกไหมแก้ทุกข์หายใจออกให้ยาวที่สุดเลยเอาทุกข์ไหมทุกข้งนั้นเลยเห็นปะที่ผ่านมาแล้วก็หายใจหนีทุกข์มาตลอดนะเรียนอิริยบถหนีทุกข์มาตลอดแต่ไม่เคยเห็น เราไปเนี่ยใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายเนี่ยมันถูกบีบคั้นถูความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะแล้วรู้สึกไหม ร, ไร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยตัวเนี้ยจิตไปรู้เขา้าเนี่ยตัวเนี้ยจิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่เราหรอกจะเห็นมันเป็นอ น, นัตตาแนะไม่ใช่เรามันเป็นก้อนธาตุเหมือนถุงใบหนึ่งนะเดี๋ยวก็พองเดี๋ยวก็ยุบนะเนี่ยพระอารหันยุคโบราณท่านใช้คำบอกว่าร่างกายเหมือนถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูไปนับเอาเองะมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของโสโครอกไหลออกมาเป็นนิดร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของพิเศษเป็นแค่วัตถกุกินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมากินน้ําเข้าไปก็เป็นเหงื่อออกมาอย่างเนี้ยมันธาตุมันหมุนอยู่ตลอดเลยเป็นแค่วัตถุแค่ก้อนธาตุเนี่ยถ้าเรามีจิตตั้งมั่นนะแล้วเรามาดูที่กายจะเห็นเลยกายนี้มีแต่ทุกข์บีบคั้นกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุ ใจเป็นแค่คนดูอย่ารักษาใจให้นิ่งนะใจเป็นแค่คนดูสบายๆดูไปนานๆใจก็ฟุง้งฟุ้งขึ้นมาทำความสงบกลับเข้ามาใหมนะ่ออกจากสมาธิแล้วถ้าจิตมันติดสงบออกมาก็คิดมันกระตุ้นมันคิดเรื่องใจรักอะไรเงี้ยพอมันดูใจรักได้เองแล้วอย่าไปคิดเอาให้รู้เอาให้รู้สึกเอาไดฝึกอย่างนี้นะจะเดินปัญญาเวลารู้กายเนี่ยเราจะรู้ลงปัจจุบันขณะ คือขณะนี้เลยเรารู้กายได้ในเวลาจเจริญปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังดูกายเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะคือขณะเนี้ยทำไมเรารู้กายลงขณะปัจจุบันได้เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งเลยอย่างเดียวจิตไปรู้กายมันก็รู้ได้ใช่หนี่อย่างเวลาเรากโกรธเราจะมาดูว่าโกรธ ด, ด้วยรู้ด้วยทำได้ไหมเวลาเรากโกรธเนี่ยจิตเราจะสนใจคนที่ทำให้เรากโกรธ เราใช้คนที่ทำให้โกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตหรือเวลาเรารักเราชอบดอกไม้เนี่ยใจเราอยู่ที่ดอกไม้เมื่อใจมันไปเอาดอกไม้เป็นอารมณ์แล้วมันจะมารู้ทันเอาใจมาเป็นอารมณ์ของตัวเองด้วยลับไม่ได้เพราะฉั้นการดูจิตเนี่ยจะดูตามหลังตลอดนะการดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติสันตติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าเมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้ใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ปัจจุบันสัน ต, ตินะอย่างนั้นสติแตกแล้วขาดจัเจะปัจจุบันสัน ต, ติก็คือมันโกรธเรารู้ว่าโกรธมันโลภล้วรู้ว่าโลภมันหลงเรารู้ว่าหลงลล ง, งั้นเนี่ยเดินปัญญาในการดูจิตนะในการดูนมามธรรมเหมือนที่พระเจ้าสอนฤาษีภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมมีราคาขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้ว่ามีราคะไม่ใช่ท่านไม่เคยสอนนะภิกษุทั้งหลายห้ามมีราคะห้ามได้ที่ไหนจิตเป็นอนัตตา ที่สูตรทั้งหลายระหว่างมีราคาก็รู้ผิดด้วยเพระเช้าไม่สอนท่านรู้ว่ามันทําไม่ได้ต้องรู้ตามหลังแต่ว่าต้องหลังติดๆนะหร่จะเรียกสัน ต, ติคือสืบเนื่องสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้ากายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะดูจิต ด, ดูใจจะเป็นปัจจุบันสัน ต, ติคือต่อกับปัจจุบันอย่าให้ขาดช่วงนะถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้เมื่อเช้าอยากกินขนมกินจนเสร็จไปแล้วตอนเย็นนึกออกใจไม่ได้ อนั้นไม่ใช่เรียกการปฏิบัติแล้วห่างเกินไปเราใช้ปัจจุบันจะเป็นแค่ปัจจุบันสัน ต, ติเราจะเห็นว่าจิตตกี้โลภตอนนี้รู้ว่าโลภจิตตกี้โกรธตอนนี้รู้ว่าโกรธจิตตกี้หลงไปตอนนี้รู้ว่าหลงจิตตกี้ฟุ้งซ่านตอนนี้รู้ว่ามันฟุ้งรู้ว่าตะกี้ฟุ้งนะจิตกจตกี้หดหูตอนนี้รู้ว่าเมื่อกี้หดหูจะเป็นรู้ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หลวงพ่ออยู่เมืองชนนะคนเมืองชนเขาเรียกเมื่อกี้เขาไม่เมื่อกี้หรอกเขาเรียกเมื่อกี้ มีความสุขผุดขึ้นมารู้สึกไหมความสุขผุดขึ้นมาก่อนนะเรารู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วถ้าไม่รู้อนะไรจะตามมาราคะจะตามมาเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความทุกข์ทุกเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าทุกข์แต่ถ้าทุกข์ในกายดูลงได้เลยนะลงได้เลยถ้าทุกข์ทางใจเนี่ยขณะที่จ NO ิตมีความทุกข์ทางใจเนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอน จิตที่มีความทุกข์เนี่ยเป็นโทสะมูลจิตตระกูลเดียวเลยจิตดวงนั้นมีโทสะเป็นเป็นฐานเป็นมูลเป็นรากเงางั้นถ้าเวลาจิตมีความทุกข์อยู่เนี่ยดูได้ไหมดูไม่ได้เพราะมันจะรู้เกิดสติขึ้นมารู้ว่าจิตตกี้ทุกข์ถ้ามีสติรู้ว่าจิตตกีทุกข์เนี่ยให้จิตที่ทุกข์นั้นมันดับไปแล้วเกิดจิตที่มีสติขึ้นแทนจิตตัวนี้ไม่ทุกข์จิตตัวนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาน งั้การดูจิตกับการดูกายจะต่างกันนะถ้าดูกายทําสมาธิก่อนออกจากสมาธิถ้าจิตติดนิ่งก็คิดพิจารณากายถ้าจิตไม่ได้ติดนิ่งติดเฉยจิตสามารถแยกได้เห็นกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูก็ดูใจรักใจรักที่เด่นในกายคือตัวทุกขังอนัตตาแต่ถ้าเราไม่ได้ทรงฌานหรือวันนี้สมาธิแตกทําสมาธิไม่ได้เลยจิตวักแวกวกแวกตลอดเวลา ดูจิตไปเลยไม่ต้องพยายามทําให้จิตนิ่งก่อนเพราะมันไม่ยอมนิ่งแล้วดูมันไปเลยคนรุ่นนี้เป็นคนที่คิดมากเมื่อพวกเราเนี่ยคิดมากเพราะฉั้นใจเนี่ยเวลาคิดนะก็เกิดสุขเวลาคิดก็เกิดทุกข์เวลาคิดก็เกิดโลภหลงหลงคิดอย่างนี้ก็เกิดกุศลจิตมันจ้เปลี่ยนตลอดเวลานั้งใจเป็นหนีคิดไม่ห้ามหนีคิดแล้วรู้ได้สมาธิถ้าหนีคิดไปเราไม่รู้ทันนะ ในเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้เอาแล้วเราจะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ชั่วคลาวดีชั่วก็ชั่วคลาวดูไม่ใช่เพื่อเอาดีดูไม่ใช่เพื่อเอาดีดูไม่ใช่เพื่อเอาสุขแต่ดูเพื่อให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดูเพื่อให้เห็นว่ามันไม่คงที่นะจับหลักให้แม่นเหมือนอย่างดูกายพอเห็นเวทนาเกิดไม่ใช่ดูเพื่อชนะเวทนานะ ถ้าดูชนะเวทนาขอขงปวดเหรอกูจะนั่งมือโต้ลุ่งเลยปวดได้กูจะนั่งอยู่เงี้ยอโต้ลุ้งได้หูกูเก่งหูกิเล็สพึ่นมาแล้วไม่เห็นแล้วนะผิดแล้วเขาดูขันนะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่เพื่อเอาชนะขันนะไม่มีใครเอาชนะขันได้หรอกเอาชนะขันได้ก็สั่งมันสีอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะจิตนี้ก็สั่งมันจงสุขอย่างเดียวห้ามทุกยงดีอย่างเดียวห้ามชั่วสั่งได้ที่ไหนล่ะ ให้เราไม่ได้ฝึกเอาชนะขันทำไว้นะหน้าที่ของเราต่อการต่อขันทั้งหลายนะยกเว้นพวกตระกูลกิเลสนะขันทั้งหลายเนี่ยหน้าที่ของเราคือรู้ขันทั้งหลายอยู่ในกล่องทุกตัวตัวโลผ้าอยู่ในกล่องสมุทยัยในห้น่านตองละเสียนอกนั้นใช้รู้เอาใช้รู้เอามีอะไรเกิดขึ้นให้รู้เอาในกายนี้ให้รู้เอาในใจนี้ให้รู้เอารู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เห็นแล้วมันจะวางเบื้องต้นมันจะวางความเห็นผิดก่อนพวกเราจะเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราผู้ดูชนทั้งหลายจะเห็นอย่างนั้นว่ากายนี้คือเราใจนี้คือเราถ้ามาหัดภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์เป็นปุ๊บจะเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตที่เป็นคนดูนี้เป็นเราพวกเราใครเคยเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างเห็นเป็นแวบแบบเคยเห็นไหมยกมือซ้ยยกมือให้ชื่นใจหน่อยมีบ้างไหม อพวกไม่ยกหลายคนมันเห็นนะแต่มันไม่รู้ตัวว่าดีดีแล้วไม่รู้ว่าดีเนะี่ยพระเจ้าประนามนะออท่านบอกว่าถ้าถ้าดีแล้วรู้ว่าดีดีเลิศดีแล้วไม่รู้ว่าดีเนะี่ยใช้ไม่ได้นะเลวแล้วรู้ว่าเลวดีหรือว่าดีนะอุ้ยการกิเลสเยอะเลยเห็นชัดเลยกิเลสเกิดทั้งวันดีเลวแล้วไม่รู้ว่าเลวนี่เลวเลิศก็ไม่มีทางแก้เลยเพราะงั้นอย่าง ถ้าเราดูไปนะใจรู้จักใจที่ตั้งมั่นเนี่ยเห็นใจที่เคลื่อนไหมต่ที่เคลื่อนถ้ารู้จักใจที่เคลื่อนก็จะรู้จักใจที่ตั้งมั่นอัตโนมัติแหละใจที่เคลื่อนไปพอสติรู้มันก็ตั้งอัตโนมัติพอรู้ใจที่เคลื่อนนะแล้วเคยเห็นขันมันแยกไหมกายกับใจเป็นคนละอันใครเห็นบ้างใครเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเป็นคนละอนบ้างมีไหมทุกดีแล้วไม่รู้ว่าดีเยอะเลย ไปอบรมใหม่นะได้จิตเป็นผู้รู้แล้วอย่าไปรู้อยู่เฉยๆนะต้องแยกขันต่อไปพยายามดูไปร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกใจเข้าแต่เป็นคนดูนะร่างกายกินอาหารใจเป็นคนดูร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดูหรือจิตมันไปคิดใจก็เป็นคนดูมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะเก่งมากเลยคือหลวงพ่อพุธรู้จักไหม พ่อพุทธานิโยหลงเพ่าก็ลูกศิษย์ท่านก็ไปเรียนกับท่านทุกเดือนสมัยแรกๆนะหลังๆท่านเป็นมะเร็งแล้วท่านหลบมาอยู่วัดแล้วตอนอยู่ที่อื่นหาตัวไม่เจอทุกคราวที่เจอเนี่ยกรรมาฐานที่ท่านสอนคือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดท่านจะพูดช้าๆนะ n ăng, n ยืนเดินนั่งนอนจาได้ไหมจะพูดช้าๆกินดื่มทําพูดคิด เอพอนำไม่เป็นฟังแล้วดูถูกท่านะตอนอะไรทําไมไม่สอนหายใจเท่าพูดหายใจออกโทรมาสอนอะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดใครๆมันก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทั้งวันแหละแล้วท่านต่ออีกประโยคหนึ่งแต่ไม่มีคนจํานะให้มีสติไว้มีสติแล้วเราจะเห็นใจเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดร่างกายร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดใจเราเป็นคนรู้มีสติรู้ทัน ใครเป็นคนคิดใจเป็นคิดใจหนีไปคิดรู้ทันหนีไปคิดรู้ทันนะตรงที่จิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันเนี่ยจะได้สมาธิถ้าฉลาดพอนะก็จะเกิดปัญญาได้เราจะเห็นว่าจิตที่หนีไปคิดก็หนีได้เองจิตที่รู้ก็เกิดได้เอง<ๆ>เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็เดินปัญญามันตรงที่จิตคลิกคลิกคลิกแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้บรรลุพระอรหันต์ได้นะจะบอกให้คลิกคลิกคลิกแค่นี้เองไม่ต้องเยอะอะไรหรอก สบายๆดูกายมันนั่งดูกายมันหายใจดูไปสบายๆอย่าไปรักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาจิตนะสติเป็นคนรักษาจิตไม่ใช่เรารักษาจิตเมื่อไรสติรู้ทั น, นว่ามีกิเลสเกิดขึ้นกิเลสดับอัตโนมัติเลยเมื่อไหรมีสติเกิดขึ้นกูสลเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนั้นฝึกให้มีสติไว้สติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่น เพราะฉั้นหัดดูสภาวะให้แม่นๆม่นถ้าจะถนัดกายก็เห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้าใจหนีไปแล้วรู้ทันจะได้ได้ทางสมาธิได้ทางสตินะแล้วต่อไปร่างกายกระดิกคลิกเห็นเลยตัวนี้มันเคลื่อนไหวแล้วมันไม่ใช่เราหรอกค่อยๆรู้ค่อยดูไปถนัดดูกายก็ดูกายนะะดูจิตก็ดูจิตเอาอะไรก็ได้เพราะว่าเราดูกายก็เห็นตจรักดูจิตก็เห็นตจรักไม่ได้ดูอย่างอื่นดูใรัก ถ้าถานาดดูจิตก็มันต่อยอดไปได้ไปได้เรื่อยๆแล้วถ้าเราเข้าฌานถึงอรูปนะไม่มีกายให้ดูถ้าถึงอรูปเนี่ยต้องดูจิตดูองค์ฌานเกิดดับการเดินปัญญาทำได้สามัญเดินปัญญาอยู่ข้างนอกเนี่ยใชคณิกาสมาธิความรู้สึกตัวเป็นขณะขณะรู้สึกปุ๊บไปเห็นร่างกายมันทำงานรู้สึกปุ๊บไปเห็นจิ ม, มนทำงานนี่เป็นขณะขะ น, นะ รู้สึกในอุปจาระเวลาจิตจะได้อุปจาระเนี่ยต้องได้ปฏิภาคถ้าเราเล่นลมเนี่ยจะได้ปฏิภาคนิมิตย่อดได้ขยายได้จิตตัวนั้นอนะ่ะเอาไว้เดินปัญญาได้มาดูตำรวจร่างกายเนี่ยนะจิตระเบิดให้ดูเลยหรืถ้าจะเดินปัญญาในฌานนะจะไม่ดูกายถ้าดูกายจิตจะตกออกมาก็าะจะดูองค์ฌานจะเห็นเลยว่ามีมิตกมิจารณ์นี่ยจิตเคลื่อนเข้าไปตรึกเข้าไปตรองไป เ, เคล้าเคลียกระแสแสงสว่าง ในเขาเคลียร์ปฏิภาคนิมิตเรียกว่าวิตกวิจาร์เราพอรู้ฐานจิตก็ถอนออกมาเป็นผู้รู้แล้วได้ได้ฌานที่สองพอถึงฌานที่สองเนี่ยจิตถึงฐานในพระเตวิต บ, บอกมาว่ามีเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นจิตถึงฌานที่สองในฌานที่สองเนี่ยได้ตัวรู้ได้ผู้รู้ขึ้นมาในฌานที่สองยังมีปิติเป็นตัวเด่นสติระลึกรู้ปิตินะเห็นปิติดับนะเดือดสุขสุขเป็นตัวเด่นขึ้นฌานที่สามไป นะดูความสุขสติรู้ความสุขความสุขดับอีกนะเป็นอุเบกขาขึ้นชานที่สี่นะถ้าขึ้นไปเรื่อยๆในชา้นที่สี่เนี่ยถ้าวางรูปนะให้เข้าอารูปอรูปประชานสี่เนี่ยเป็นชา้นที่สี่ทั้งหมดเลยมีองค์ก็คือเอกขตากาอุเบกขาเหมือนกันหมดเพรา ะ, ะนั้นชั้ห้าอันหลังเนี่ยคือชา้นที่สี่นั่นแหละแต่ว่าเป็นชา้นที่ไม่มีรูปเราจะดูองค์ชา้นเกิดดับเราะฉนั้นถ้าเรา ไม่ชำนาญในสมาธิกับไม่ชำนาญในการดูจิตเนี่ยเราจะเดินวิปัสสนาในฌานไม่ได้แต่ถ้างั้นเราก็ต้องถอยออกจากฌานมาแล้วมาดูข้างนอกเนี่ยมาใช้อุปจาระดูดูจะมันแตกไปเห็นร่างกายสลายไปหมดเลยเหลือใจดวงเดียวพอมีร่างกายขึ้นมาใหม่ก็จะเห็นร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันขาดจากการเด็ดขาดเลยเห็นชัดๆเลยเพราะเมื่อกี้ไม่มีร่างกายเหลือแต่ใจอันเดียวงั้นกายกับใจเนี่ยคนละอันกัน หรือถ้าตรงนี้ก็ทรงอยู่ไม่ได้นะออกมาอยู่ข้างนอกนี้ไนดะ้ใจไหลแล้วรู้พอรู้ตัวก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไปเห็นใจมันเคลื่อนไปอันนี้เดินปัญญาในสภาวะปกติข้างนอกอย่างนี้ะเดินยังไงก็ได้พระรหันต์มีทุกแบบแนละ้วพอไหวไหมหลวงพ่อสอนอะไรไปบ้าง <c oughs> ตอนจากสมาธิเพราะพวกเราทําสมาธิ แต่สมาธิที่พวกเราทำเนี่ยยังค่อนข้างเพ่งอยู่เพ่งกอนนั่งเลยเพ่งหลวงพ่อก็ทำเป็นนะ <c oughs> เราทำมาตั้งแต่เจ็ดขวบสมาธิ <c oughs> แล้วก็คอยรู้เ่าไปนี้ทำกรรมฐานนะอย่ารู้ลมหายใจเนี่ยอย่าไปดูที่ตัวลมแค่เห็นร่างกายหายใจ <c oughs> เวลาเดินจงกรมอย่าไปจ้องที่เท้าจ้องที่เท้าคือการเพ่ง รู้สึกสบายๆเห็นไอตัวเนี้ยมันเดินะเวลายืนอยู่เห็นไอตัวเนี้ยมันยืนให้รู้สึกอย่างนี้ไปเรอยนะแล้วท่าใจมันหนีไปให้รู้ทันถ้าใจมันเข้าไปเพ่งให้รู้ทันอย่างมันรู้ลมมันก็ไปเพ่งลมะหรือมันหนีไปคิดมีสองแบบที่ผิดนะสองแบบนี้ไม่ผิดก็ถูกแล้วละ่ะเมื่อไหรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกง่ายๆเนอะเรียนที่ผิดนะรู้สิ่งที่ผิดนะแล้วจะเกิดสิ่งที่ถูกพระแท้เจ้าสอนอย่างนี้นะ รูจากธรมกมธรมจักรไหมธรรมจักรกับพวัตนสูตรเริ่มต้นว่างไงไม่ต้องเอว่าเมสุดตังท่านเริ่มอย่างกานทุกบทอ่ะนะเริ่มอย่างนันนะ เ, อ เ, เ, นเอว่าเมสุดตังเอ็กังสมัยยังท่านเริ่มบอกว่ามีสิ่งสองสิ่งใช่ไหมที่บันพิชิตอ่ะบันชิตได้รวมทั้งผู้ปฏิบัติเนะียไม่ควรเสพ อันหนึ่งคือการสุขานิการนิยโญ่อันหนึ่งคืออัตตะกิริมฐานิยโญ่สองสิ่งนี้ผิดไหมันเริ่มจากผิดนะแล้วถึงจะเข้าที่ถูกถ้ารู้ผิดแล้วมันจะถูกเพราะเราอย่าไปทําถูกถ้าเราจงใจทําสิ่งที่ถูกนะจิตจะแน่นแนเลยผิดทันทีเพราะมัด้วยโลภเป็นจิตที่โลภแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตมันผิดคือจิตมันไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยเวลาจิตมันไหลไปนั่นแหละมันเป็นการสุขานิการนยิยโญ่ ไหลไปไหนอ่ะไหลไปดูรูปไหลไปฟังเสียงให้กลามทั้งนั้นเลยหรือไหลไปคิดก็ ค, คิดแต่เรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยไหลไปหากลามส่วนการที่จิตไหลเข้าไปเพ่งเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่ง ท, งทองเเป็นอัตตาจติลมัทธายกบังคับตัวเองเอา้าวนั่งสมาธิต่อไปนี้เห็นไหมต้องขยับต้องเตรียมบังคับกายก่อนรู้สึกไหมอพอหน้าสมาธิตอนนี้นั่งอยู่แล้ว จะมีสมาธิหรือไม่มีอยู่ที่จิตหรอกแต่ว่าหัดใหม่ๆกาอาจารย์ต้องนั่งให้ถูกระเบียบนะแต่พอเป็นแล้วเนี่ยนะหลวงพ่อพูดบอกเอาหัวทิ้มดินเอาตีนชี้ฟ้าก็เป็นสมาธินะท่านสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้นะแม่ทุกอวิรายาบทมีสมาธิหมดเลยคือใจนะั่นแหละมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยที่หลวงพ่อสอนมานะให้แยกสมาธิให้ออกมีหลายแบบ สมาธิที่จิตไหลไป น, นิ่งอยู่อารมณ์ันเดียวที่นี่ได้แต่พักผ่อนมาฝึกสมาธิที่ใจเป็นคนดูเห็นกายกับใจกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปมันจะแยกไปแยกได้แล้วก็มาเดินปัญญาเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานถ้าดูกายก็ดูลงปัจจุบันขณะถ้าดูใจก็ดูตามหลังมันเลื่อนเมื่อกี้โกรธเมื่อกี้โลบเมื่อกี้หลงเมื่อกี้สงบเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเมื่อกี้ดีใจเมื่อกี้เสียใจ ดูตามหลังไปดูแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นมากๆเข้าก็จะล้างความเห็นผิดความเห็นผิดในเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้คือตัวเราอัดใหม่ๆเนี่ยมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะแต่จิตที่เป็นคนดูเนี่ยเป็นเราแล้วค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับตัวผู้รู้ไม่ใช่คงที่นะที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อเป็นรักษาจิตอยู่นะผิดนะปล่อยให้จิตทํางานเป็นธรรมชาติเลย ตัวรู้เองอ่ะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งนี่มันเกิดดับเกิดดับนะดูอย่างนี้ในส่วนปัญญามันก็แทงทะลุนะโอ้ตัวจีเดงก็ไม่เชี่ยงเหมือนกันตัวจีเดงก็ไม่ใช่เราเหมือนกันถ้าดูถึงตรงที่มันตัดนะว่าจิตก็ไม่ใช่เราได้นะได้โสดาล้วแต่ยอมรับตรงนี้นะได้โสดาอย่างเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ได้มันตัดกันที่จิตพุณพระเจ้าบอกว่า คนนอกศาสนาพุทธก็ยังเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เรามีแต่ในธรรมวิไนัยนี่นะจะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เราเห็นจิตเองเกิดดับของคนอื่นเขาฝึกให้จิตเที่ยงพวกที่ฤาษีชีไฟพวกฝึกสมาธิฝึกไปให้จิตเที่ยงให้จิตนิ่งเลยคิดว่าจิตเป็นอัตตาจิตเป็นอาตมันเนี่ยประเด็นที่หลวงพ่อสอนว่าจิตไม่เที่ยงบอกสอนผิดจิตต้องเที่ยงต่หากก็พระพุทธเจ้าบอกจิตไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ยังไงวะ นะมีวะด้วยนะเพราะเรานักเลงนะถ้าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะนะนะกระทั่งจิตพระอรหันต์ก็เกิดดับนะเพราะอะไรจิตมันอยู่ในขันจิตไม่ใช่นิพพานนะจิตกับ น, นิพพานมันคุลาอัานนะนิพพานออกไม่เกิดไม่ดับจิตมันเป็นไปคนไปรู้นิพพานมันเกิดดับได้นะอย่างจิตพระอรหันต์นะบางดวงก็มีโสมนัตมีความสุขนะบางดวงเป็นอุเบกขา พรอะอรหันต์เลยนั่งมีแต่สุขทั้งวันมันมีที่ไหนหน่อยใช่ไหมมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ส ม, มนันนะเดี๋ยวก็อุเบกขาจิตบางดวงของท่านมีปัญญาบางดวงไม่ได้เจริญปัญญาไม่มีปัญญาอยู่เฉยๆเป็นกุศลอยู่เฉยๆแล้วไม่เรียกว่ากุศลด้วยเรียกว่ากริยาเป็นมหากริยาจิตไม่ได้เจริญไม่ได้มีปัญญาบางดวงประกอบด้วยปัญญาจิตมันไม่คงที่หรอกกระทั่งจิตพระอรหันต์ยังมีหลายแบบเลยจิตพระอรหันต์บางดวงนะเป็นจิตที่ไปดู จิตที่ไปดูของพระอรหันต์กับจิตที่แมวไปดูอะไร เ, êu, เนีเ่ยจิตอย่างเดียวกันเป็นวิบากจิตเป็นวิบากจิตงั้นไม่ใช่จิตพระอรหันต์มีอย่างเดียวคงที่นะนั้นอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะครูบาอาจารย์องค์หนึง่งโลปุล่าปูเจาะบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นวะ่างี้นะนั้นเราดูให้เห็นจิตเองก็ไม่เที่ยง <De schwier semaines> เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งคืออย่างนี้ได้ไง สุดท้ายปัญญาอันแทงทะลุลงไปจิตนี้ก็ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ไม่ใช่เราเพราะมันไม่เที่ยงจิตนี้ไม่ใช่เราเพราะสั่งไม่ได้ จ, จะเป็นผู้รู้หรือจะเป็นผู้คิดก็เลือกไม่ได้จะเป็นผู้รู้หรือเป็นผู้เพ่งสั่งมันไม่ได้แต่ถ้าได้ส่วนนี้ก็ได้ปัญญาขั้นต้นนะเพราละความทุกข์ไปได้เยอะเลยเวลาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวพอสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราว ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะความวันไหวมันน้อยเราแก่เรื่องธรรมดามันอยู่ชั่วคราวเนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาต้องพลาดพลาดจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักก็ธรรมดาอนะไปฝึกนะส่วนปัญญาเบื้องปลายมันจะเห็นทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ถึงจะวางวางกายได้ได้อนาคานะออกจิตได้กระจบเป็นตรงนั้นนะ จิตจะแปลสภาพไปเป็นธาตุธาตุรู้ไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรามีละจิตเอี่ยงพวกเรามีาจิตแคบๆเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาได้รู้สึกไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาแล้วภายในก็หมุนติ้วติ้วติ้ตอยู่ทั้งวันทั้งคืนว่าวัดตะหมุนอยู่ภายในนั่นแหละนี่จิตถ้าเห็นอย่างนี้นะตอบได้ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ไหมว่างตลอดสุญญาตา Hmm. ว่าไปอยู่ข้างนอกนะว่าไปอยู่ข้างนอกไม่ใช่นะของเก๊อีกทําไมอ่ะทาไมเก๊อตรงไหนเก๊ตัวที่มีภายในมีภายนอกที่มีสิ่งที่เป็นคู่อยู่ไม่ใช่เป็นหนึ่งไม่ใช่จิตหนึ่งไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นจิตที่เป็นคู่คนก็ไปกลบก็ไปอยู่ข้างในแล้วก็ออกมากลบข้างในแล้วออกมาเนี่ยพระอรหันต์จิตอยู่ข้างในได้ทั้งวันถ้าจิตอยู่ข้างในหรือจิตอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอกมันยังเป็นคู่อยู่จิตไม่มีที่ตั้ง ไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีการไปไม่มีการมานะภายในไม่มีความเคลื่อนไหวของเราเนี่ยวัฏตะมันหมุนอยู่ในใจเรานะหมุนตลอดวันตลอดคืนนะเวลากิเลสแรงๆน้ำหมุนจีเลยเคยไหมเคยเห็นไหมหมุนอยู่กลางหน้าอกเนี่ยวัฏตะหมุนอยู่กลางหน้าอกนี่แหละไม่ได้กลางที่ไหนหรอกเวลาแตกก็แตกออกจากกลางอกนี่แหละวัฏตะถล่มก็ถล่มลงตรงนี้แหละ เทศมาพอสมควรแนะคนที่ไม่ได้เรียนสมาธิฟังยากนิดหนึ่งนะค่อยไปฟังที่วัดสวนดอกพรุ่งนี้นะวันนี้พวกที่นั่งในห้องนี้พวกทําสมาธิมันทําให้หลวงพ่อเออเร่อในการเทศกลายเป็นเทศให้พวกสมาธิฟังไปถ้าคนไหนไม่ได้เข้าคอร์สสมาธิอะไรไปฟังต่อพรุ่งนี้ที่วัดสวนดอกนะ <c oughs> จบล้ว ว่ามาวัฒน์รค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะตอนนี้รู้สึกมากแล้วก็อึดอันะคะอึดอัที่เพลงไปนี่มีคำถามคือว่าตไปเล่นค่ะก็ปัญหาในเรื่องของการใช้ ตามของตัวเองอะค่ะว่าช่วงนึงก็ลังเลไปหญิบเอาสิ่งนึงอีกช่วงนึงก็ลังเลไปหยิบก็เลยไม่แน่ใจว่ามันควรจะชัดโดยสิรินิสายช่างคิดไหมคิดมากคนช่างคิดนะกรรมฐานที่หมอนะก็คือการดูจิตเอาเวลาทํากรรมฐานเรามีเครื่องยยวนเดียวคือจิตเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็สูดูจิตกระทุกดูอย่างนี้ไปเลยใช้จิตเป็นวิหารธรรม ขออีกคำถามหนึ่งนะคะช่วงก่อนเคยอมีอาการลักษณะที่ว่าขับรถอยู่แล้วเห็นว่ามือมันเป็นเออนั่นแหละคือการคิดเอาไม่ได้คิดเอาหรอกแค่คิดเอามันไม่รู้สึกเห็นแมบอยู่ๆมันรู้สึกมันเริ่มเห็นแล้วว่าเอ็นที่เป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่เราแต่มันเห็นเป็นส่วนๆนะแล้วม่เห็นได้แวบเดียวแล้วอยากเห็นอีกก็ไม่เห็นนะเอ แล้วภนาไปเจริญสติดูกายดูใจเรื่อยไปถึงเวลาก็เห็นเองแหละแรกๆหนูเข้ามาในห้องเนี่ยค่ะก็จะง่วงก็จะมีอาการที่จะสลึมสลึมแล้วก็ตึ้นขึ้นมาตลอดแต่พอได้ฟังธรรมแล้วทีนี้ก็เริ่มเข้าใจในหลักมากขึ้นแล้วค่ะเวลาคนฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับได้เนี่ยนะเข้าขั้นอัจฉริยะมีเหมือนกันนะแต่หายากหน่อยจะๆเท่านั้นนะะมันเริ่มจะไหลไหลไหล<ม>แล้วก็ตึ้น จิตเพ่งไหมเพ่งค่ะตอนนี้เพงเออ่งปกติเพ่งหรือเปล่าล่ะปกติก็พยายามจะประครองจิตเสมอเดี๋ยวประครองประครองมันทำไมจะเอามันไปแต่ไหนจะเอามันไปนิพพานด้วยหรือนิพพานได้เพราะวางมันไปนะไม่ใช่นิพพานเพราเอามันไปมันยังยึดกายอยู่ค่ะยึดให้มันยึดไปเราไม่ใช่พระอนาคามิมันจะเริ่มยึดต้องได้อนาคาก่อน <c oughs> ดูลงไป <c oughs> ดูลงไปกายนี้ทุกไหม กายนี้เป็นตัวทุกหรือตัวสุขดูตัวนี้เรื่อยๆนะสังเกตลงในกายสุขหรือมันทุกแน่ดูไปเรื่อยหัดเดินปัญญาด้วยการดูกายไปกายนี้เป็นก้อนทุกดูไปเรื่อยๆนะดูทุกในกายไปให้กันบ้านดูทุกในกายเอออ่ะส่งไปไม่ยอมพูดเลยพูดให้ครัน้ำตาลพระอาจารย์ค่ะโยมปกติโยมทําในรูปแบบตอนกลางคืน นะคะสวดมนต์ไหว้พระก็นั่งสมาธิหรือเปล่าก็บางทีก็จะมีบ้างแต่ตอนนี้ตื่นเต้นนิยมเ อ, อนั่งสมาธิที่อาจารย์ให้ส่งกันบ้างก็คือว่านิยมนั่งแล้วก็กดว่ากายหายไปแล้วก็มีตัวรู้มาใช้ได้สิแต่ทีนี้เนี่ยคือนิยมก็สังเกตว่ามันหายไปแต่ว่ามันจะมีอาการของท้องอะค่ะที่พองที่ยุบ ข, ขึ้นแต่ท้องเนี่ยก็คือมันกดเข้าไปจนถึงข้างหลังนิยมรู้สึกอึดขัดแต่นยมกรู้สึกว่า แต่จะให้มันออกมาแต่มันออกมาไม่ได้ที่นิยมก็มันได้ถึงคำหลวงพ่อบอกว่าว่าให้เป็นแค่คนดูอย่าไปเป็นแค่คนแสดงให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบอ่ะโทสามแทรกแล้วใจไม่ชอบหรอกในสภาวะนั้นเพนั้นต้ให้รู้ทันนะแล้วก็เห็นมันด้วยใจที่เป็นกลางสมาธิยังไม่พอนะยังเหลือท้องอยู่ทีนี้เคยไปปฏิบัติพองหน่อยุบหนอก็เลยยังคิดว่ามันกลับเข้าไปใส่ลงไปที่ตรงที่ที่มันเคยไปอยู่หรือเปล่าต้องแก้ไข ให้รู้ไม่ใช่ให้แก่นะดูไปเลยมันยุบลงไปมันมใช่เราหรอกถ้ามันดูไม่ออกก็ช่วยมันชิดเอาจะเห็นว่ามันสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ไปดูมันดูในมุมของการสั่งไม่ได้ไปพกกีรำลึวงพเอเจ้าค่ะเป็นบุญเหลือเกินที่ได้พบกับหลวงพ่อเหรอเป็นบุญหลวงพ่อเหมือนกั น, นที่เจอโยมภาพ น, นี้ได้เจอกับหลวงพ่อเป็นบุญมาก คือโยมปกติแล้วก็จะเห็นตัวเองทำนู่นทำนี่อยู่แว บ, บๆวบเียแต่ทีนี้เอ่อพอเห็นมันมีความรู้สึกมือว่ามีใครคนหนึ่งที่แอบดูอยู่เออถ้าแหละพอนาดีอ่แล้วทีนี้เอ่อมีอีกอย่างหนึ่งคือโยมเนี่ยมักจะส่งแบบติดออกไปดูดูสภาวะของ ผู้สนทนาแล้วทีนี้ก็โดนทวงติงจากอาจารย์บอกว่าให้มารู้สึกตัวโยมก็พยายามจะทําอยู่แต่ว่าเขายังยังวิ่งออกไปแบบเร็วมากเลยให้รู้ทนันว่าออกไปต้องค่ะถ้ามันไม่ได้หรอกให้รู้ว่ามันไหลออกไปที่ฝึกอยู่ถูกแล้วนะฝึกได้ดีเลยรู้สึกไหมขันมันเชื่อส่วนขันนะจิตมันเป็นคนดูดูได้สบาย อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นไงพะเจ้าคนั่นแหละมันต้รู้อย่างนี้แหละทําได้ถูกแล้วละ่ะมีปีติก็รู้ว่าก็เห็นปีติมันมาได้เองมันไปได้เองทําถูกแล้วละ่ะดูบ่อยๆดูทางจิตไปจิตหนะ้า่าโดยธรรมชาตินะ่ะย่อมส่งออกนอกหลวงปู่ดูลยสอนอย่างนี้นะธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก แต่ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วนะไม่มีสติจิตก็ะเพิ่มบั่นไหไปถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสตินะปัญญาจะเกิดถ้าไม่ให้จิตออกนอกเลยปัญญาไม่เกิดหรอกเพราะฉะนั้นจะไปกลัวจิตออกนอกถ้าจิตออกนอกเป็นธรรมดาต้องออกแต่ออกแล้วมีสติเท่านั้นเองท่านไม่ได้สอนอะไรที่ให้ผิดธรรมดานะห้ทำเอา นมรสการค่ะก็ตอนดูจิตนี่จะชอบคิดไป<ล>แต่พอพอรู้สึกตัวถึงจะรู้สึกทีหลังว่าเมื่อกี้ตั้งใจคิดให้มันเป็นแบบนั้นต้องรู้ทีหลังนะถูกแล้วอย่าหลังนานเท่านั้นเลยบ่ยบยอยๆของโยโมบนหนึ่งใช้ได้เลยนะบรนาถูกแล้วนะบรนาดีเลยดูไปนะขันไม่มีเราดูออกยัง เห็นไหมกระทั่งตัวรู้ก็ไม่เป็นเราดูออกไหมไม่ได้พ อ, อนามก็ต้องให้ได้อย่างนี้สิแล้วไปสังเกตเอาให้กันบ้านเวลาเผลอๆ เ, เนี่ยตัวรู้จะเป็นเราขึ้นมาไหมถ้ามันตัดไปด้วยมร์เนี่ยมันจะไม่มีเราอีกแล่ะเผลอยังไงก็ไม่มีถ้ามันตัดด้วยสมาธิคือความรู้สึกตัวขึ้นมาเผลอแล้วมันมีอ้าวเอาหนูอ่ะ ดูรู้จักใจที่ฟุ้งซ่านไหมฟุ้งเก่งไหมห<า>เออไม่ห้ามนะใจฟุ้งซ่านไปไปคิดเรื่องนี้ก็สุกคิดเรื่องนี้ทุกดูออกไหมห<า>ออคิดเรื่องนี้เกิดกุศลคิดเรื่องนี้เกิดกุศลตามหลังความคิดมาดูออกไหมออค่ะเออไม่ห้ามนะแต่ไม่ทุกครั้งนะเออทุกครั้งมันก็เืินไปละอย่าอย่าถึงขนาดนานๆกลางก็แล้วกันค่ะบ่อยหน่อย มาักการหลงพ่อคะ่ะตอนนั้นมันชอบฟุ้งซ่านะคะอ่ะว่าอไหนนะตอนนักสมัยนี้จิตมันชอบฟุ้งซ่านะค่ะเราห้ามมันไม่ได้หรอกให้รู้ทันว่ามันฟุง้งมันฟุ้งไปไหนฟุ้งไปเล่นหรือเปล่าหรือฟุ้งไปกินหนมไปเล่ น, นะคะ่ะฟุ้งไปเล่นให้รู้ทันว่าอยากเล่นนะให้รู้ก่อนว่าอยากเล่นแล้วถึงเวลาก็ไปเล่น อยากกินไอติมมั่งไหมอยากกินนมไหมอยากกินนมมั่งไหมคคนที่ชอบเล่นอย่างเดียวไม่ชอบกิน <c oughs> <c oughs> เวลาใจอยากเล่นนะให้รู้ทันว่ามันอยากเล่นซะก่อนนะแล้วค่อยเล่นทีหลัง <c oughs> จะทําอะไรก็ได้แต่ว่าให้รู้ทันใจซะก่อนอต่อไปนี่อายุเท่าไหร่คนเนี้ยเท่าไหร่นะ แปดขวบโอ้แปดขวบเห็นจิตฟุ้งซ่านเก่งนะไม่ธรรมดาดอกตามนมัสการหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นหน้าหน่อยได้มีโอกาสมาฟังเทศแล้วก็มาส่งกันบ้านก็แง่ละมาครั้งแรกมาฟังเทศกันมาส่งกันบ้านครั้งที่สองก็แปลกกันแหละใครรู้ทันนะดูไกลมากๆหน่อยก็ได้ เราเป็นคนรักสวยรักงามดูร่างกายมันทํางานบ่อยๆจะเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเป็นของสปปกปรกเป็นอะไร่งนี้นะใจเราก็ไม่สนใจก็ไม่ฟุ้งแต่เราไม่ฟุ้งแล้วนะเราก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วเวลาความรู้สึกแรงๆเกิดขึ้นก็ดูไป ความโกรธความน้อยใจความหงุดหงิดอะไรเกิดขึ้นรู้ทันแค่เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปไม่ห้ามนะแม่อยากนั่งสมาธิแต่เวลาแกนั่งแล้วแกจะปวดหัวโ อ, อไปนั่งบังคับมากไปให้นั่งเล่นเล่นนั่งเก้าอี้ก็ได้นะก็เก้าอี้แล้วก็นั่งสบายใจนั่งรู้ทันใจของตัวเองไปถ้านั่งแล้วปวดหัวเนี่ยแสดงวไปบังคับ ถ้านั่งสบายใจเหมือนไ ม, ไม่ไม่ปวดหัวหรอกกรรมสการ์อาจารย์ค่ะอันนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองแ่ครั้งแรกเมื่อปีห้าหกต้นปีที่เชียงใหม่อมตอนนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบคือเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแต่ก็ยังสวดมนนั่งสมาธิพอประมาณแต่ว่าจะได้ฝึกสมาธิจากการเข้าไปทาสวนปลูกต้นไม้ทั้งวันนะคะณตอนนี้คือสัมผัสได้ว่าเวลาเราไปเจอผัสสะอะไรที่แรงๆกลับมาเนี่ยค่ะ จิตมันจะคิดพอคิดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าพุโทโธธโมสังโฆขึ้นมาทันทีค่ะมาตัดตรงนี้แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนมันมีสิ่งเหมือนตอนที่เราภาวนา จ, จะจะนั่งสมาธิมันจะปุ๊บปุ๊บป๊ปุ๊บ๊แล้วก็จะสงบสงบก็จะเห็นว่าอืมเรามีความสุขเห็นหน้ายิ้มด้วยแต่ว่าบางทีถ้าผัสสะแรงๆเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่ามันมาอีกละเราก็จะบอกพอพอตรงนี้มาปุ๊บเอ๊มมันสองครั้งสามครั้งแล้วยังมาอีกเราก็จะขึ้นมาเลยว่า ตั้งหัวมันมันมามันก็ไปไม่ต้องไปสนใจมันช่างมันเถอะไม่แน่ใจว่าเป็นคําพูดของพระอาจารย์ที่ฟังป <c oughs> ระจําแล้วเอามาใส่ในหัวเรารู้สึกหรือเปล่าคงงั้นแหละแต่สังเกตโดยนิสัยจริงๆแล้วตอนนี้ก็ปล่อยวางอะไรๆอย่างไปเยอะมากนะคะให้กันบ้านต่อนะคะไปดูความญหงุดหงิดใจความญหงุดหงิดใจนี่มันเกิดได้เรื่อยๆ เ, เ, เป็นธรรมชาตินะ ะ, ะสังเกตไหมพื้นเดิมเราโทสะนะ ให้ความเงินเงินมันประนีตขึ้น เ, เลยรู้สึกมันโล่งๆว่างๆไม่มีอะไรจริงคลิกหนึ่งมันก็ขัดใจแล้วล่ะแต่จะรู้จะรู้สึกชอบไม่ชอบอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ไปคิดนานแล้ว ะ, ะให้รู้ทั น, ม, นมันมีขึ้นมาก็รู้มีขึ้นมาก็รู้ อ, อย่างพอความมันมาครอบสองทีสามทีในชักโมโหน ะ, ะได้กลางหรอกให้รู้ทันเอาเรียนถามอีกคําถามค่ะเป็นคนที่ว่าไม่สามารถที่จะภาวนาได้นานหรือว่าดูอ่า ดูกายได้นานคือคาว่าพุทโธธรทโมสังโฆเนี่ยมันก็จะมาแว้บๆเดี๋ยวมันก็ไปดูพยุยพองเดี๋ยวก็ไปดูร่างกายที่คลายกล้ามเนื้อหรืออะไรมันจะหมุนแอบไปเรื่อยเอาอะไรก็อเอาซะอย่างก็เลยจะถามหลงพ่อจะแก้ไขยังไงดีคะจะต้องเลือกเอานะให้มันเด่นเดียวลงไปทํากรรมฐานนะ ห, <า S 2> หลายอย่างนะมันมันจะรู้ทันจิตยาก<ห>าเราทํากรรมฐา น, นเพื่อจะมารู้ทันจิตนะถ้<ห>าเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่ยไม่ไม่เห็นจิตก็เห็นเบื่อเห็นไม่ชอบเอ๊ะทำไมมันวุ่นวายจังให้รู้ว่าใจฟุ้งซ่าน โยมอ่ะมันเป็นคนช่างคินดูจิตได้เลยดูจิตที่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะ<ไ>ดูจิตเปไมิหานธรรมไปแต่ว่าถึงเวลานะควรทํากรรมฐานในรูปแบบนะเช่นไปนั่งสมาธิหายใจนี่แหละธ ร, รมานาปนัสตินะแล้วก็ดูจิตหายใจไปจิตสุข ก, ก็รู้หายใจแล้วจิตทุกข์ก็รู้หายใจแล้วจิตดีก็รู้หายใจแล้วําคาญก็รู้หายใจแล้วรู้ทันจิต ควรจะทำนะไม่งั้นไม่มีแรงหรอกแรมจะฟุง้งพ่อค่ะจงมฟังซีดีหลวงพ่อมาก็หลายปีสี่ห้าปีแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ฟังแทบทุกวันเนาะแล้วก็เวลาทำกิจกรรมอะไรโยมก็ดูที่กายเคลื่อนไหวแล้วก็ดูใจที่รับรู้อย่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยื่วง น, นี้จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งพอดูที่กายปุ๊บเหมือนกับว่าลมหายใจเขากระถูกไปอย่างนี้ ผิดปกติไปซึ่งโยมก็ได้ฟังหลวงพ่อสอนอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เบกบังคับกายเลยโยมก็ว่าโยมไม่ได้บังคับก่ะ <S <S แต่เขาพิธีวัดนะง่ายๆเลยว่าบังคับหรือเปล่าอ่ะถ้าใจเราอึดอัดนะใจแน่นๆนะนิดเดียวก็คือบังคับแล้วละ่ะดูกันตรงนี้โยมก็เลยว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้บังคับก็อ่า น, น, นดูไปเรื่อยๆขนาดนี้บังคับไหม บ, บังคับโอ้ต้องหัดมากหน่อย รู้สึกกิจใจแน่นไหมแบบนี้ยหรือว่าโล่งโปร่งเบาผมข้าทำหน้าให้ดูนะมันเกินธรรมดาอยู่นิดหนึ่งรู้สึกไหมใจเราตอนนี้กิจใจเราตอนเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ใตอนนี้เรียบร้อยกว่าปกตินี่แหละคือใจที่บังคับไว้แต่มันบังคับเก่งบังคับเนียนเลยดูยากต้องนึกถึงตอนเด็กๆใจแบบเด็กๆ เ, เคลื่อนไปเคลื่อนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ใจอย่างนั้นแหละไม่ได้บังคับไว้ใ่แบบนั้นไม่มีน้ำหนักแต่อย่างนี้มีน้ำหนักนะโยมก็ทําใจให้เป็นกลางเนี้ยคือพราะทำใจหรือเปล่าไม่ต้องทําถ้าทําเมื่อไหร่ก็มีน้ําหนักไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วก็เป็นจางของเขาเองเดอยวไปทําขึ้นมาที่ถูกทําไม่ได้ ท, ทําทีไรผิดทุกทีเลยให้รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วก็ถูกเองนี่เป็นเคล็ดลับนั้นเนี่ย อุตสาบอกความลับให้พอดูจิตนะครับพระอาจารย์ณช่วงนี้ก็คือแล้วก็คงเป็นเฉยเฉยสิเพราะว่าจิตยมเฉยไว้ก่อนแล้วพอไปดูนะก็นิ่งไปหมดเลยนะจิตมันติดนิ่งนะต้องปล่อยออกมาให้ได้ก่อนต้องกลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นก่อนที่จะภาวนาให้ใจเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วมีสติรู้ไปจิตดีเกินไป โยมก็เคยเจอสภาวะที่ว่าครั้งหนึ่งเอาเถีงบวกนะะคนชมเนี่ยเราจะหลงโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งหนึ่งโยมรู้ตัวว่าอา้าวมันฟูอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาโยมเห็นไหมจิตเดี๋ยวนี้กับจิตตะเกียบไม่เหมือนกันจิตเนี้ยดีกว่าตะกียบนี้จิตที่จะใช้เดินปัญญาที้ตัวจิตอย่างนี้ไม่ได้ล็อกไว้นึกออกไหอย่างว่าเมื่อกี้มันล็อกอยู่เออเมื่อกี้ผิดตรงนี้ยถือเกี่ยถูกทาไมทําไมมันหลุดออกมา เขไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติคิดแต่จะเล่าคิดฝาดคิดจะเล่าว่าปล่อยเลยไอ้ที่จับไว้อ่ะเล่าไปแล้วก็เลยเผลอไปสุดโตไปข้างเผลออีกแล้วให้แค่รู้ทันเ่อ ต, ตอนนี้มันหลุดออกมานะแล้แค่นี้พอดีเลยอคําว่าพยายามหลวงพ่อ ก, ก็บอกว่าพยายามก็พีดอีกนั่นโยมก็เลยพยายามเมื่อไหรก็แน่นมันนั้นแ่ะก็เลยไม่รู้ว่าที่ถูกต้องโยมควรจะยังไงที่ถูกต้องคือรู้อย่าที่มันเป็ น, ปนไม่ใช่โยมทําอะไร ทำเมื่อไหร่ก็ปิดนั่นแหละรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นสังเกตไหมว่าเรารักษาไว้อีกแล้วเดอดูออกแล้วว่ารักษาเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่ขวางอยู่เพราะงั้นถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะไปดูจิตนะจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างจะนิงน่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกนั้นที่โยมบอกดูจิตแล้วมันไม่เห็นมีอะไรก็ถูกแล้วล่ะเพราะจิตเราล็อกอยู่ ธรรมะสอนเราอยู่ทุกวันแต่กลางวันเราควรจะต้องฟังเพื่อให้เป็นธรรมชาติให้เขาหลงไปคิดเออหลงบ้างให้มันหลงหลงไปนะดีกวารักษามันตลอดเวลาแต่ถ้าคนชั่วช่วนะหลวงพ่อ บ, บอกรักษาไว้ก่อนหลงไปไม่ดี <c oughs> คือระหว่างปล่อยให้จิตไหลไปที่ชั่วนะก็รักษาไว้ยังไปสุขติได้ แต่รักษาไว้ไปสุคติได้แต่ไม่ไปนิพพานอย่างน้อยก็ปิดอาบายกันอาบายไว้ก่อนก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าคิดจะไปนิพพานเราก็๋ยวไปรักษามันธรรมวัฒสาการครับเ อ, อที่ผ่านมาผมดูจิตผมจะเห็นชัดเวลาจิตหลงไปคิดครับรู้แล้วหลงรู้แล้วหลงแล้วบางครั้งก็เห็นมันมีอะไรกระเพื่อมอยู่กลางหน้าอกนะครับก็ถูกแต่เวลาเห็นมันไม่ได้เห็นในไตล้างครับก็ไม่ใช่วิปัสสนาใช่ไหมครับใช่ มันไม่บอกเราว่าฉันกําลังแสดงไตรลักษ์หรอกตรงที่เห็นมันกระเพื่มนั่นแหละเราเห็นความไม่เที่ยงอยู่และเห็นไหมมันกระเพื่มได้เองคือมันขณะที่เห็นมันมันไม่รู้ว่ามันแค่เห็นมันไม่พูดถ้ามันพูดได้ไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงนิ่งเบนใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงส่วนปัญญามันจะเกิดเนี่ยจิตมันจะปิ้งขึ้นมาเองตอนที่เราเดินปัญญาอยู่เนี่ยไม่มีคำพูดหรอกนะ จะเห็นมันเกิดอยู่กลางอกมาเกิดดับเกิดดับปั๊บปั๊บั๊บแต่ไม่เห็นมันดับนะบเห็นมันเกิดแล้วเราก็หลงไปเลยไม่รู้อีกทีเกิดแล้วหลงไปเลยได้ไงไม่เห ม, มืว่าพอเรารู้ว่ามันเกิดแล้วเราก็มันรู้ไม่นา น, นครับแล้วเราก็ลืมมันไปแ ล, ไแล้วเราก็ค่อยมารู้ใหม่เกอรู้บ่อยๆ่้าทไม่ให้หลงก็ไม่ได้หรอกกําลังสติเรายังไม่พอมันหนีไปสักก่อนที่จะเห็นดับแล้วแล้วอย่างงี้ที่หลวงพ่อว่าน้อมโน้มนอมจิตไปเพื่อยานทัศน์ะแล้วเราจะโนมยังไงนี่ไงเขามาคอยดูมันบ่อยๆ ไม่ใช่ลืมมันบ่อยๆถ้าลืมมันก็ไม่ได้มีญาณทัศนะหรอกก็คือดูบ่อยๆแล้วมันจะรู้ของมันเองใช่ดูบ่อยๆเป็นพระฮูลีกตาทําบ่อยๆเดี๋ยวขอถามอีกนิดหนึ่งครับเออเวลาฟังซีดีหลวงพ่อครับเวลาตอนไทยจะมีถวายสังฆทานหรืออะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเราถวาสังฆทานได้เหรอหมายถึงว่าถวายสังฆทานแล้วหลวงพ่อจะสวดบอยพอเนี่ยครับถ้าเรายินดีในบุญนั้นเราเราก็ได้บุญใช่ไหมถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดไปแล้วใช่ จำแล้วซ้ําอยู่นะไม่ว่าบุญหรือบาปนะถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเรามาคิดซ้ําเนี่ยจิตขึ้นวิถีอย่างเดิมเลยเพราะงั้นถ้าเราบริจาคหนึ่งบาทนะคิดมันมาหนึ่งแปดร้อยครั้งเหมือนทําบุญแปดร้อยบาทเลยครับขอบคุณครับแบบเดียวกันนะไปบี้มดหนึ่งตัวคิดวาเรพันครั้งบี้ไปพันตัวแล้วจิตมันมก็ขึ้นวิถีของอกุศลใหม่สะสมไปเรื่อยๆเราะงั้นเวลาที่เรา ทำพลาดไปแล้วนะทำบาปไปแล้วเนะี่ยแค่เราลึกได้ว่าต่อไปเราไม่ทำอีกนะแต่อย่าไปคิดซ้ำวนเวียนประนามตัวเองอยู่ทุกวนันทุกวันนะนั่นจิตเป็นอาภุสนิรันดรเลยไม่ไหวหรอกถ้าทำดีก็คิดบ่อยๆกรน้มัสการหลวงพอปรโมทค่ะอืมประโมทโชว์ด้วยสิ <c oughs> ถ้าใส่ชื่อแล้วต้องใส่ให้ครบพระชื่อประโมทมีหลายองค์ <c oughs> อย่างของหนูจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหนูจะรู้สึกอีกวั น, น, นคือคือจิตเนี่ยคือแบบมันยั้งไม่ได้นะคะแตนะ่หมดนั้นอะค่ะถ้ามันไม่ได้หรอกแต่หนูจะรู้สึกอีกวันหนึงยังสําหรับวิธีการปฏิบัติเองเนี้ยหนูจะชอบเดินว่าถ้าเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าในการนั่งเนี่ยทาไม่ได้ดีค่ะอืม ถ้าเดินเราก็เดินสิยังเดินได้ก็เดินไปแต่เดินแบบมีสตินะเห็นกายมันเดินใจเราดูสบายๆไปดูเหมือนดูคนอื่นเดินใจมีแรงถ้าจะมานั่งน้ำก็มีสมาธิต่อไปเลย<อ>เบอหนึ่งเวลาเรารู้สภาวะสังเกลียดนนะ่ะบางทีก็รู้อยู่ห่างๆางทีก็ไหลเข้าไปถ้าจงใจดูนะใจก็แน่นๆนะ ถ้าจงใจดูมันก็แน่นดูออกไหมออตรงที่แน่นแน่นมัถูกล้วจิตัวนั้นเป็นโทสะมูลจิตจิตเป็นอกุศลตัวนั้นแล้วดูออกอยางว่ามีเราไหมจิตเป็นเราไหยดูออกไหมออกว่ามีหรือไม่มีใช้ได้รู้ว่ายังมีเราอยู่ใช้ได้ออถ้าภาวนามาบางคนน่าสงสารนะ พอนามาปุ๊บหลงแท้ๆเลยบอกบรรลุโสดาแล้วไม่มีเราไ ม, ม่เราเลยมีแต่โลกข้างนอกนะจิตมันไม่อยู่กับกายกับใจใชไม่ได้นะดูไปเรื่อยอย่าไปหลงชิดรู้สภาวะแล้วเขาเกิดดับเป็นตามธรรมดาสบายๆนะถึงเวลามันก็จะเข้าใจเองตอนนี้มันยังเป็นเราอยู่อ้าวว่ามา คนนี้ก<น>็ภาวนาดีเราสั่นหลวงพ่อนะครับวันนี้ก็เข้ามาปฏิบัติปฏิบันแติทำขั้นแรกนะครับไม่เคยทำสมาธิหรือว่าเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาเราจะฝึกสมาธิเนี่ยเราสามารถฝึกได้เวลาเวลาทํางานได้ไหมครับเวลาเราปฏิบัติงา น, งานต้องใช้สมาธินะเป็นสมาธิที่จดจ่อก ง, งานคือเราไม่มีเวลาที่จะฝึก เ ว, เวลาปกติเนี่ยครับเราสามารถฝึกในเวลาทํางานได้ไหมครับทำงานใช้ร่างกายหรือใช้จิตใจใช้ความคิดเใช้ความคิดครับใช้ความคิดทําไม่ได้ใช้ความคิดนะสติสมาธิปัญญาไปอยู่กับงานจะมาเจริญอะไรล่ะก็เจริญงานไงแต่ว่าเวลาเราทํางานนะเราไม่ได้ทําตลอดเวลาเราไม่ได้คิดตลอดเวลาใช่ไหมบางทีทํางานไปแล้วขี้เกียจขี้เกียจไม่ใช่ทํางานพอความขี้เกียจเกิดให้รู้ทัน ถ้าเห็นความขี้เกียจเกิดเองมาแล้วก็ไปไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเขาทำงานไปทำงานไปแล้วใจลอยไปเขารู้ว่าใจลอยใจฟุง้งซ่านงั้นจดจ่ออยู่กับงานไปนะแล้วกิเลสอะไรเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะไปได้คะแนนในตอนที่รู้ไม่ใช่ตอนทำงานเขาไม่ได้จ้างเราภาวนาเขาจ้างเราทางานต้องทางานหลวพ่อมา่ก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งนะ ก็เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหัวหน้ากองนะใจบาปหยาบช้าฉันจะเดินจงกรมก็ว่าฉันคอยมอบงานให้ทําอยู่เรื่อยบหกเ้ประหลาดเว้ยเขาจ้างไปทํางานเนอะเนาะเขามอบงานก็ถูกแล้วนี่เขาไม่ได้จ้างแกไปเดินจงกรมดีกว่าเพราะั้นเวลาทํางานนะจอดจอดงานถูกแล้วแต่ว่าพอทํางานไปแล้วนะมันพอใจมันไม่พอใจมันสุขมันทุกข์ก็นะ มันรอบมันก่ดมันหลงค่อยรู้เอาหลวงพ่อก็หัดต่อเป็นคารวาสนะคะธรรมนาเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่อยังทํางานรับราชการเนี่ยงานหลักเลยคืองานประชุมเวลาประชุมเนี่ยเราจะเห็นเลยคนเนี้มีหลายจําพวกบางคนนะฉลาดมีความรู้ดีเราช่างพูดพวกนี้เวลาพูดอะไรก็น่าฟังเราก็ได้เรียนรู้บางคนฉลาดนะมีความรู้ดีแต่ไม่ยอมพูดต้องหาทางเขีย่ยแย่ให้เขาพูดนะ บางคนน่ะโง่เราก็ไม่พูดพวกนี่ยปวดยกย่องบางคนน่ะโง่แต่ขยันพูดอุ้ยพวดนี่แหละก็เยอะมากเลยนะเวลาเขาพูดเนี่ยเราเห็นไอ้คนที่จะพูดนะเราลาคาญนะลาคาญเรารู้ว่าลาคาญเนี้ยเราปฏิบัตินะเวลาที่อิตาบ้านี่มันพูดอยู่เนี่ยเราได้ปฏิบัติอยู่แี่เราเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างนี้แหละเวลากินข้าวเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยแต่กินข้าวเราก็ดูกายดูใจเป็นทํางานไป ไปห้องน้ำมั้งไหมเวลาทำงานเออก็ไปนะเวลาเข้าห้องน้ำเราพ็ภาวนาได้อย่างเรานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเราเดินไปห้องน้ำนะเห็นร่างกายมันเดินไปนเข้าห้องน้ำแล้วสบายใจเดินกลับออกมาเขาเรียกห้องสุขขาเข้าแล้วสบายใจกลับออกมามีความสุขตอนที่หลุดออกมาได้หลุดออกมาจากห้องน้ำได้เราก็เห็นใจมันมีความสุขให้เราพาปฏิบัติอย่างนี้นะ นั่งรถไปรถติดใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบวันนี้นั่งรถไปมีแต่ไฟเขียวชอบดีใจรู้ว่าดีใจไม่หัดอย่างนี้ได้ส่วนเวลาที่ต้องทำงานที่คิดหัดไม่ได้ต้องจดจ่อทำงานแต่ที่คุณฝึกมาใช้ได้นะหสูงพ่ครับแล้วในในตัวของเป้าหมายเนี่ยกับของธรรมะเนี่ยสือว่าเราเป้าหมายใ น, ใ น, ใ, นในการทำงานเนี่ยเป้าหมายเรามีสูงใช่ไหครับ แต่ว่าธรรมะนี้สอนให้อยู่ในลักษณะทางสายกลางมันขัดแย้งกันไหมครับแล้วลักษณะอะไรนะทางสายกลางครับไม่ทางสายกลางไม่ได้ขี้เกียจนะทางสายกลางหมายถึงให้รู้ให้บ่อยดรู้สภาวะของรูปนามนะที่แสดงไตรลักษณ์ให้บ่อยที่สุดที่จะรู้ได้การรู้นี่แหละเป็นทางสายกลางไม่ใช่ให้คิดเอาไม่ใช่ให้เพ่งไม่ใช่ให้ดัดแปลงแต่ให้รู้อย่างที่มันเป็นคําว่าทางสายกลางไม่ใช่แปลว่าไม่ให้ขยันนะ คนละเรื่องเลยต้องขยันด้วยซ้ําไปท่านไม่ได้สอนให้ขี้เกียจ น, นะทางสายกลางก็คือก็คือเป็นเป้าหมายของของงานและของนิพพานเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางสายกลางเนี่ยนะเป็นทางเนี่ยทางไม่ใช่เป้าทางคือตัวมัสมัชเนี่ยเดินอยู่ในทางสายกลางของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรือกทางสายกลางศีลที่ถูกไม่ใช่ศีลงมงายสมาธิที่ถูกคือสมาธิตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิเคลิบเคลิอม ปัญญาก็คือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าเราเดินอยู่อย่างนี้เรียกว่าเดินอยู่ในทางสายกลางถ้าหลุดออกจากตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ทางสายกลางดังั้นคำว่าทางสายกลางไม่ใช่กลางระหว่างดีกับชั่วนะดีก็ได้ชั่วก็ได้เป็นกลางไม่ใช่แต่ว่าจะเห็นว่าดีเกิดขึ้นแล้วดีก็แสดงไตรลักษณ์ชั่วเกิดขึ้นแล้วชั่วแสดงไตรลักษณ์แต่ไม่ใช่ให้เราทําชั่วก็ได้นะว่าดีกับชั่วเท่าๆกันเราเป็นกลางแล้วเลือกอะไรก็ได้ไม่ใช่ เราห้ามขี้เกียจด้วยท่านให้ขยันเราดูบ่อยๆไม่ทางสายกลางเนี่ยถ้าดูวันละร้อยรอบเนี่ยก็เรียกว่ามากไปดูห้าสิบรอบน้อยไปถ้เราเดินทางสายกลางวันหนึ่งเราจะดูจิตเจ็ดสิบห้าครั้งไม่ใช่นะอยากคิดเยอะรู้สภาวะที่กำลังปรากฏอย่างที่เขาเป็นไปนรู้โลกปัจจุบันไปเรื่อยๆใ้จิตจะเดิเข้าทางสายกลางได้ จบแล้วมังเหนื่อยเหมือนกันผมขอโอกาสเป็นตัวแทนนะครับกล่าวคำถวายในพธยธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธรูปพระบางพร้อมทั้งพยธธรรมบางหลายเหล่านี้แก่พระอาจารย์สามโธปามโธโชขอพระอาจารย์โปรดรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเถิดนะรับพ อ, อยัถ า, าวาริวหาปุราภริปเรนติสาครางังเทวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกระปติชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุตับเพปุเรนตูสังกปาเันโท ป, ปันระโสยัถ า, ามณิโชติระโสยัตถา โยวิวัตชัตตูสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีติคายยกูภวะอาภิวาทนาศีลิสนิจจังวุทาปจายิโนจตตาโรธรมาวัันเตียยุวันโนสุขขังละลังโุธนาการเปียนาถันวิชาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สังคมทุกวันนี้ ร, ร้อน เต็มไปด้วยความทุกข์คนไม่มีศีลมีธรรมเต็มไปหมดนะสธรร ม, มเนี่ยด้อยมากเลยหาคนสืบทอดหาคนไปแพร่ยากนะแต่ทั่งกระทรวงศึกษาเขายังตัดทิ้งเลยไมีอยากศีลธรรมเลยคือไม่รู้ว่ามันจําเป็นยังไงคับสังคมสังคมที่เต็มไปด้วยคนมีความรู้นะแต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยน่ากลัวเป็นโจนที่น่ากลัวมากเลยแท น, นพวกเรา ศึกษาธรรมะไว้นะดีที่สุดแล้วพอเรารู้เราเข้าใจแล้วเรามีหน้าที่บอกต่อค่อยๆเผยแผ่ออกไปที่เผยแผ่ก็จะทำให้เขาดูในบ้านเราเนี่ยสอนยากที่สุดอย่างพ่อแม่สอนยากคนรอบๆตัวเราเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นถ้าเราเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นอย่างหน้าชื่นใจนะเขาถึงจะเชื่ อ, อค่อยๆพากันปฏิบัติปเป็นจุดเล็กๆ คนส่วนใหญ่เขาหลงไปหมดแล้วเราร้อนเบียดเบียนกันเราเป็นคนส่วนน้อยนะชาวพุทธเป็นคนส่วนน้อยในเมืองไทยส่วนที่ว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธมีนิดเดียวนอกนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันเป็นเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆไลยพวกเราสนใจมาศึกษาปฏิบัติหลวงพ่อก็ อ, อนุโมทนาด้วยนะเป็นต้นกล้าต้นกล้าของธรรมะวันหนึ่งคงจะ ง, งอกมาเป็นต้นข้าว <c oughs> จะได้เอาไปจำนำนะมาละไปแล้ว